อ่าพเจริญพรอ่าญาติโยมสาธุชนทุกท่านเชื่อว่าเราทุกคนในที่นี้เนี่ยนะก็ปรารถนาความสุขแล้วก็อยากจะอยู่ห่างไกลจากความทุกข์ที่จริงเนี่ยพวกเราส่วนใหญ่ในที่นี้เนี่ยอาตมาก็เชื่อว่าพูดถึงความสุขเนี่ยเราไม่ขาด เรามีกันอยู่เยอะโดยเพราะความสุขกายอาตอมาเพิ่งกลับมาจากประเทศพูฐานคนภูธานนี่เขายากจนกว่าเราเยอะเขาเพิ่งมีสถานีโทรทัศนะ์เมื่อสิบห้าปีที่แล้วนี่เองนะและการคามนาคมขนส่งก็ยังลำบากอยู่ระยะทางสองรอยกิโลใช้เวลา เดินทางถึงหนึ่งวันนะพูดถึงความ พ, พร้อมทางวัตถุหรือว่าความสกสบายเนี่ยเา mm. มีน้อยก ว, mm. กว่าเราเยอะนะแต่อาตมาเชื่อว่าสิ่งนี้ที่เขามีมากก็คือความสุขใจในทางตรงข้ามเนี่ยพวกเราคนกรุงเทพหรือว่าคนไทยเนี่ยพูดถึงความสุขกาย ความสบายกายเนี่ยเรามีมากมายแต่ก็ไม่แน่ใจว่าความสุขใจเรามีแค่ไหนนล้วถ้าเที่ยบคนภูทาาแ ล, ล้วก็เชื่อว่าคนไทยหรือคนกรุงเทพเนี่ยเรามีความสุขใจน้อยกว่าเขาเยอะเรามีความทุกข์ใจมากกว่าเขาหลายเท่า ความทุกข์ใจเนี่ยเกิดจากอะไรแน่นอนนะความสุขกายเนี่ยมันเกิดจากการที่เรามีวัตถุทั้งพร้อมบริบูรณ์มีไฟฟ้ามีน้ำใช้มีโทรศัพท์มือถือมีรถยนต์มีเงินทองมีบ้านที่สวกสบายมีเครื่องทําความเย็นนี่ช่วยทาให้เรามีความสุขกายแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมีความทุกข์ใจ ควาทุกข์ใจเนี่ยไม่ได้เกิดจากการขาดทานวัตถุคนภูฐานขาดทานวัตถุคนอีสานนะก็มีความยากไร้เมื่อเทียบกับพวกเราที่นี้นอาตมาอยู่ในชนบทนะในภาคอีสานในหมู่บ้านที่ไกลก็พอจะรับรู้นะว่านะคนนะคนอีสานจนไม่น้อยเนี่ยเขามีความยากไร้ของวัตถุ แต่เขามีความุกใจในขณะที่คนที่คนในเมืองไม่ว่าในเมืองไทยหรือยุโรปอเมริกามีความพรั่งพร้อมทางวัตถุแต่ว่ามีความุกใจความุกใจเกิดจากอะไรนยอย่างที่เรามาบอกนะมันไม่ได้เกิดจากการที่เราขาดแคลนวัตถุแต่มันเกิดจากวิธีคิดของเรามันเกิดเกิดจากการคิดนะ ของเราหรือเกิดจากมุมมองของเรานะในทางพธศาสนาเนี่ยวิธีคิดเนี่ยนะสิ่งสำคัญมากเลยความสุขความเจริญของเราเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการคิดคิดอะไรคิดถูกคิดดีนะแล้วก็คิดบวกถ้าเราถ้าเราคิดไม่ถูกเนี่ย ที่เราก็จะหาความเจริญได้ยากเช่นเราต้องการนะมีความมีชีวิตที่มั่นคงมีอาชีพการงานที่ดีหรือแม้แต่มีความพ่งพร้อมทางวัตถุเนี่ยเทาเราคิดแต่จะวิงวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราคิดแต่จะขอให้เกิดโชคให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบรนดาให้เราร่ํารวยมีโชคมีลาบเนี่ย ยากนะที่เราจะมีชีวิตที่เจริญงอกงามได้อย่างนี้เราทุก์ไม่ถูกก็คือไปหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หวังพึ่งโชคลาภเราเรียกส่้นๆว่าหวังลาบลอยคอยโชคคนไทยจำนวนมากเนี่ยหวังลาบลอยคอยโชคไม่ได้คิดที่จะอาศัยนับพักนําแรงของตัวอาศัยความเทียมพยายามของตัวก็จึงยากที่จะประสบความสุขความเจริญได้ หวังลาบลอยคอยโชคเช่นอะไรบ้างนะก็เช่นหวยการพนันนะหรือว่าการวิงวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปวัดก็จริงนะแต่ไปเพื่อจะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยตนบัณดานให้รวยรวยรวยแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าคิดไม่ถูกนะหวังลาบลอยคอยโชคหรือหนั ก, กวันนั้นเนี่ย โกงคอร์รัปชันนะจะได้รวยเร็วๆโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยนะในทางภาษา ส, สายนี้เราว่าคิดไม่ถูกนะถ้าเราหวังความสุขความตัวเลเราต้องลงมือทาขยันหมั่นเพียรเกบพร้อมรอมริบนะไม่หมกมุ่นกับอบายามุกนะคิดดีนะคิดดีก็เช่นว่าใครเขา ว่าร้ายเรานะเราก็ไม่โกรธไม่เกลียดเขาเราก็ไม่คิดจะแก้แค้นเขาด้วยการต่อว่าด่าทอกลับไปนะเราไม่ไม่คิดที่จะกันแกล้งใครแม้ว่ า, เ, าเราจะไม่ชอบเขาก็ตามพู้ง่าคือว่าถ้าเราคิดดีมันก็ทําให้เราทําดีเมื่อเราทําดีอย่าง น, น้อยๆเนี่ยเรามีสีเนี่ยมันก็ทําให้เราชีวิตเราเนี่ยห่างไกลจากความทุกข์ ไอ้ความทุกข์ยากเดือดร้อนที่จะเกิดจากการผิดศีลซึ่งมีร่างเน่นมาจากการคิดไม่ดีมันก็จะลดน้อยถอยลงนะคิดบวกด้วยนะคิดบวกก็ช่วยได้เยอะนะถ้าเราคิดไม่เป็นเนี่ยนะเราคิดล้มเนี่ยหรือเราคิดไม่ถูกนะคิดไม่เป็นเนี่ยก็ทำให้เราคนเรามีความทุกข์แม้เราจะพรั่งพร้อมด้วยวัตถุนะแต่เราคิดไม่ถูกเนี่ยเราทุกทันทีเลย ถ้าเราคิดไม่เป็นเนี่ยนะมีเงินมีโชคมีลักแค่ไหนก็หาความสุขได้ยากเพื่อตมาเนี่ยเป็นนักเล่นหุ้นเคยเป็นนักเล่นหุ้นฝีมือดีด้วยนะแต่ต่อหลังก็พลาไปละไม่ใช่เพราะว่าหุ้นมันตกนะแต่ว่าอแกเลิกตั้งแต่ก่อนที่หุ้นมันเนี่ยมันจะซบเซาเพราะคิดว่าเอแกเลือกที่จะเอาความสุขมากกว่าเอาเงินนะ พ อ, พอมีเงินระดับหนึ่งแล้วก็คิดว่าขอเอาความสุขแล้ะก็เลยวางมือเพลาการเล่นหุน้นแกเคยเล่าว่าเมื่อเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะตอนที่หุ้นหุ้นเนี่ยยังบูมอยู่เนี่ยนะก็ไปเจอคุณป้าคุณนี่ที่ตลาดหุน้นะคุยไปคุยมานะคุณป้าคนนี้เนี่ยนะแกมีอาชีพเล่นหุน้นเหมือนกันแกไปตลาดหุ้นทุกวัน แกเล่าว่าเนมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยแกขายหุ้นไปรถใหญ่รถหนึ่งได้กําไรสิบล้านบาทนะสิบล้านบาทนี่รถต้องเรียกวัที่หนึ่งกี่ใบนะสี่ห้าใบใช่ไหมเพื่อธรรมะก็เลยบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณป้าคุณป้าบอกว่ายินดีอะไรก็ล่ะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ยฉันได้กําไรแล้วยี่สิบล้านคุณป้าได้สิบล้านนะแต่คุณป้าไม่มีความสุขคุณป้าไม่ดีใจ เพรอะไรเพรแกไม่ได้คิดว่าแกได้สิบล้านแกคิดว่าแกเสียสิบล้านเข้าใจไหมแกได้สิบล้านเนี่ยแต่แกไม่คิดว่าแกได้สิบล้านแกเสียสิบล้านแกเลยไม่มีความสุขเนไงสิบล้านนะกําไรนะวันรุ่งขึ้นคุณป้าไม่มาที่ตลาดหุ้นเพื่อสมาก็เลยไปถามมาร์เก็ตติ้งว่าคุณป้าไปไหนเพราะแกมาทุกวันไปถามมาร์เก็ตติ้งซึ่งเป็นลูกค้าของคุณป้า แต่ได้ทราบความว่าคุณป้าเนี่ยเข้าโรงพยาบาลแล้วเข้าเพ่าะอะไทราบไหมฮะเข้าเพราะได้สิบล้านเครียดเพราะได้สิบล้านนี่เรียกว่านี่เรียกมองไม่เป็นไงได้สิบล้านแต่มองว่าเสียสิบล้านไงพวกเราเคยเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่าเพราะะฉเนี่ยถ้าเรามองไม่เป็นนะคุณได้โชคได้ลาภแค่ไหนคุณก็ทุกขนะ์เมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผู้หญิง ชาวอังกฤษคนหนึ่งเมื่อสี่ปีที่แล้วตอนที่แกยี่สิบเจ็ดแกได้แกได้รางวัลที่หนะึ่งะสลากสลากกินสลากกินสลากกินลประเทศอังกฤษนี่นะเขามีสลากหลายแบบแกได้หนึ่งล้านปอนก็ประมาณสี่สิบห้าล้านบาทแกก็ได้เงินแกก็ซื้อนอตซื้อนี่ซื้อเยอะแยะซื้อที่ดินซื้อบ้าน แต่ช่วยแกแย่ลงแย่ลงแย่ลงแล้วแกเครียดพาไปสี่ปีนะช่แกย่ําแย่กว่าเดิมแล้วแกทํางไงทราบไหมฮะแกฟ้องบริษัทลอตเตอรี่ชื่อบริษัทลัคโตว่าเป็นเหตุให้แกทุกข์นะแทนที่แกคิดว่าที่แกทุกข์เนี่ยนะเพราะแกใช้เงินไม่เป็น หรือว่าเป็นพ่อวงังใจไม่ถูกแกก็ไปโทษบริษัทลอตเตอรี่เนะี่ว่าทำให้ชีวิตแกเลวรายลงเพราะว่าดันให้เหงินแกหนึ่งล้านปอนนะนี่เรียกว่าโทษโทษคนอื่นนะไม่ไม่ได้กลับมามองที่ตัวเองและที่ตัวเองย่ําแย่เพราะอะไรเพราะใช้ใช้เงินไม่เป็นและที่จะใช้เงินเงินไม่เป็นเพราะอะไรเพราะคิดไม่ถูกคิดไม่เป็นนะคนเราเนี่ยนะจะทุกข์หรือไม่นะั่นเพราะความคิดมากเลยและทนายการจะสุขหรือไม่ก็เพราะความคิด มีเรื่องเล่าว่าคุณยายคนหนึ่งนะแกก็เป็นคนที่แกมีลูกอยู่สองคนนะคนหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นช่างปั้นหม้ออีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นชาวสวนแกเป็นคนที่ไปวัดอยู่บ่อยๆวันนึงหลวงพ่อสังเกตว่าหน้าตาแกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ แกมาวัดเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยด้วยสีหน้าที่หมดหมองหลวงพ่อก็เลยถามว่าเป็นอะไรแกก็เล่ า, ลาให้ฟังว่าวันไหนนี่นะฝนตกนะติดต่อกันเนี่ยหลายวันเนี่ยแกจะมีความทุกข์มากเพราะแกนึกถึงลูกชายที่ปั้นหม้อฝนตกยะนานๆแบบนี้เนี่ยนะมันก็ไม่สามารถจะเอาม่อเนี่ยไปตากแดดได้ ผลผลิตก็แย่ขายไม่ค่อยออกคันวันไหนฝนไม่ตกแดดร้อนเปรี่ยงติดต่อัปหลายวันแกก็เป็นทุกข์เพรแกนึกถึง ล, ลูกชายที่เป็นชาวสวนไม่มีฝนเนี่ยต้นไม้มันก็ง่อยใช่ไหมแกทุกข์มากเลยถ้าเป็นหลงถ้าคุณเป็นหลวงพ่อคุณจะแนะนำอย่างไรหลวงพ่อก็แนะนำว่า ก็วันไหนเนี่ยนะฝนตกนะก็นึกถึงลูกชายที่ทำสวนนะฝนตกลูกชาย ท, ทำสวนก็เป็นไงนก็ชอบใช่ไหมวันไหนแดดออกหรือมันแรงก็นึกถึงลูกชายที่ปั้นหม้อก็จะได้ตากหม้อที่มันดิบเนี่ยมันแห้งนะคุณจายก็ได้คิดทันทีเลยหลังจากหลังจากวันนั้นแกไม่มีความทุกข์เลย วันไหนฝนตกออแกก็ดีใจนะลูกชายที่ทําสวนจ ะ, จะได้มีฝนเนี่ยนะเอาไว้หล่อเลี้ยงต้นไม้วันไหนที่ฝนไม่ตกนะแดดแรงๆเปรี้ยงๆก็นึกถึงลูกชายที่ปั้นหม้อนะแกกลับมายิ้มได้ฝนก็ยังตกเหมือนเดิมแล้วก็ยังแรงเหมือนเดิมแต่ว่าความสึกจะเปลี่ยนไปเพราะแกะเปลี่ยนมุมมองไงใช่ไหมเปลี่ยนมุมมอง บางทีมันเหมือนกับไอความไอไอความทุกของคนเราเนี่ยบางทีมัน ค, คล้ายๆกับเส้นผมบางภูเขาเพียงแค่เราเปลี่ยนมุมมองเนี่ยนะไอทุกข์กลายเป็นสุขนะหรือว่าทุกข์เนี่ยกลายเป็นความไม่ทุกข์ไปเนั้นครั้นี้เนี่ยเรื่องการเรื่องของมุมมองเนี่ ย, ยที่าที่ตมาบอกเนะี่ยมันก็ ถ้าเรามองถูกหรือว่าคิดถูกคิดดีรวมทั้งคิดบวกเนี่ยนะไอ้ความสุขเนี่ยมันหาได้ไม่ยากไอ้ความทุกข์ที่มันเคยเคยเคยรบ ก, กวนจิตใจเนี่ยมันก็จะคลายไปคราวนี้เนี่ยเรื่องมองถูกมองดีเนี่ยวันนี้ตมาไม่พูดเรพูดเรื่องมองบวกนะไอ้เรื่องคิดถูกคิดดีมองถูกมองดีเนี่ยนะ คง ม, มีพระมาะพูดให้เราฟังเยอะแล้วนะแต่ครั้นี้เนี่ยเรื่องการมองบวกหรือคิดบวกเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่อาตมาคิดว่าหลายคนอาจจะคงได้เคยได้ยินได้ฟังมาเยอะนะแต่ก็เข้าใจผิดอยู่มากนะเวันนี้เนี่ยก็อยากจะมาพูดเรื่องนี้นะอะตามที่คุณจินานาได้ไ ด, ได้ได้นิ ม, มนต์มาเวลาพูดว่ามองบวกคิดบวกเนี่ย หมายความว่าอย่างไรคนหลายคนนี่เข้าใจว่ามันหมายความว่าอนาคตข้างหน้าจะสดใสเนี่ยอย่างนี้เราคิดบวกนะซึ่งในควา ม, มาอาตมามันไม่ใช่มันเรื่องมองโลกแง่ดีนะมองโลกแง่ดีเนี่ยนะในความหมายที่ว่าอนาคตมันจะโช่ชวงชัชวาลเศรษฐกิจเนี่ยนะ เ, เดี๋ยวปลายปีนี้ก็จะดีขึ้นลอะอนะ่อันนี้เรียกว่าเป็นการมองบวกในความเข้าใจของคนจานวนหนึ่ง แต่ไม่ใช่สิ่งที่อาตมากำลังจะพูดในวันนีนะ้มองบวกเนี่ยในความหมายอาตมาเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างนะอย่างแรกเนี่ยหมายความว่าการมองเห็นสิ่งสิ่งที่เป็นบวกที่มันอยู่คู่กับสิ่งที่เป็นลบหมายความว่ายังไงอธิบายนี่ไงด้วยเรื่องจริงเรื่องหนึ่งนะครูคนหนึ่งเนี่ยนะ เป็นครูประถมเช้าวันนึงเนี่ยนะก็มาที่หน้าห้องแล้วก็ชูกระดาษเปล่าแผ่นหนึ่งกระดาษเปล่าแผ่นนั้นเนี่ยมันมีการกรบาทอยู่ที่มุมขวากากบาทสีดำครูถามนักเรียนว่านักเรียนเห็นอะไรนักเรียนต้อง้อกบอกว่าเห็นกากบาทสีดำครับครูถามต่อไปว่าเธอเห็นอะไรอย่างอื่นอีกไหมนักเรียนบอกไม่เห็นอะไรเลยครับ กูเลยถามว่าแล้วเธอไม่เห็นสีขาวของกระดาษเลยเหรอนึกภาพออกไหมสีขาวขกระดาษเนี่ยมันชัดเจนไหมแต่หลายคนเห็นแต่กรกบาดคนที่กระกระบาดเนี่ยเรียกว่ามองลบคนที่เห็นสีขาวของกระดาษด้วยเนี่ยเรียกว่ามองบวกบางความขาวของกระดาษนี่นะมันชัดเจน แต่เพราะมันชัดเจนมากบางทีเราก็เลยมองไม่เห็นมันหมายความว่าอย่างไรนะการมองบวกในความหมายนี้ก็หมายความว่ายุติอย่างนะคือการมองเห็นสิ่งที่เรามีนะไม่สนใจสิ่งที่เราไม่มี คนทุกวันนี้เนี่ยมองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีมองข้ามสิ่งที่ตัวเองมีไปหลายคนมีความทุกข์เพราะว่ายังไม่มีบ้านหลังใหม่ยังไม่มีรถนะหรือว่ายังไม่มีโทรศัพท์มือถือเด็กเป็นมากเลยนะตอนนี้ทั้งที่เด็กเนี่ยก็มีอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะ เด็กมีของเล่นมากมายมีเด็กคนหนึ่งนะมีทั้งกีตา้ามีทั้งไวโอลินนะมีทั้งโนต้ตบุ๊กนะมีโทรทัศน์มีเครื่องเล่นเกมออนไลน์แต่เด็กคนนี้ไม่มีความสุขเลยเพราะแกยังไม่มีสมาร์ทโฟน แกนึกถึงแต่แกระจายกระจดจ่อยู่แต่สมาร์ทโฟนตลอดเวลาแกมีอะไรต่อนแรกเยอะแยะแต่แกทุกข์เพราะแกมองข้ามสิ่งที่แกมีแกมองเห็นแต่สิ่งที่แกยังไม่มีผู้ใหญ่ก็เป็นนะหลายคนเนี่ยทุกข์ในสิ่งที่เรายังไม่มีเพกยงแต่ว่าสิ่งที่เราไม่มีเนี่ยอาจจะราคาแพงกว่าสมาร์ทโฟนก็ได้ หลายคนนะลองสำรวจดูตัวเราเอายเนี่ยเรามีอะไรบ้างตอนนี้เรามีงานทำเรามีสุขภาพดีนะเรามีพ่อแม่เรามีลูกที่น่ารักนะเรามีบ้านนะเรามีอะไรต้องหลายอย่างสิ่งนี้เนี่ยควรจะเรียกว่าเรานี่มีโชค แต่เป็นเพราะเรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปเราไปเห็นแต่สิ่งที่เราไม่มีไม่ว่าจะเป็นของหรือตําแหน่งผู้จัด ก, การเราก็เลยทุกข์นะนี่เรียกว่าทุกข์เพราะเห็นแต่สิ่งที่ไม่มีมองบวกคือการเห็นสิ่งที่มีนะไม่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ตัวเองยังไม่มี มีมีผู้หญิงชาวไต้หวันคนหนึ่งนะเธอเกิดมาเนี่ยสมองพิการเธอไม่สามารถที่จะพูดไม่สามารถที่จะเดินได้ลองคิดดูถ้าเราเกิดมาในสภาพเชนนี้จะเป็นอย่างไรเราจะมีนาคตไหม ถ้าเรามีลูกนะที่สมองพิการแบบนี้เนี่ยเราจะมีความหวังกับลูกคนนี้แค่ไหนแต่วังเมยลินเนี่นะเธอสามารถที่จะเรียนจน จ, นจบปริญญาเอกหมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของแคลิฟอร์เนีย UCLA ปริญญาเอกนะฮะอาตมาเนี่ยสมองไ ม, ไม่พิการเหมือนเธอนะมีปัญญาเรียนแค่ปริญญาตรีเท่านั้นแหละ เธอไม่สามารถพูดได้เธอไม่สามารถจะเดินเหินได้แต่เธอสามารถจะเรียนตกวันหนึ่งเธอได้รับเชินให้ไปพูดในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเธอพูดด้วยการเธอบรรยายด้วยการเขียนใส่กระดานนะพอเธอบรรยายเสร็จก็มีผู้หญิงมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งยกมือถามเธอ กลางห้องประชุมว่าคุณเกิดมาพิการเนี่ยคุณเคยน้อยใจไหมคุณมองตัวเองอย่างไรห้องประชุมนิ่งเงียบกริบเลยเพราะปกติเขาไม่ถามคนพิการตรงๆแบบนั้นวังเมลิม่เธอก็ยิ้มแล้วเธอก็หันกลับไปที่กระดาษเธอก็เขียนฉันมองตัวเองอย่างไรหนึ่งฉันเป็นคนน่ารักสองฉันมีขาเรียวยาวที่สวยสามพ่อแม่รักฉัน สี่พระเจ้าประทานความรักให้แก่ฉันเธอเป็นคริสถ้าฉันมีแมวที่น่ารักอกฉันวาดรูปและก็เขียนบทกวีได้ข้อที่เจ็ดเนี่ยเนี่ยเป็นคำตอบที่ทำให้ขนทึ่งมากเพราะมันเป็นการรวบรวมเคล็ดลับที่ทำให้เธอสำเร็จและมีความสุขเธอบอกว่าฉันเห็น แต่สิ่งที่ฉันมีฉันไม่มองสิ่งที่ฉันขาดเธอขาดอะไรเธอขาดความสามารถในการที่จะพูดเธอขาดความสามารถในการที่จะเดินเหินเหมือนคนปกติแต่เธอไม่สนใจถ้าเธอสนใจเธอจะรู้สึกด้อยและเธอจะไม่มีความสุขและเธอจะสวสเธอเนี่ยล้มเหลวทำอะไรไม่ได้ แ ท, ที่เธอสนใจสิ่งที่เธอไม่มีเธอสนใจสิ่งที่เธอมีมีอะไรมีความสามารถในการคิดมีความสามารถในการที่จ ะ, ะเขียนและสามารถจะพัฒนาความสามารถนั้นเป็นการวอดรู้และเธอก็ใช้ความสามารถที่เธอมีแม้จะเป็นเพียงแค่ 97% ของเราให้เกิดประโยชน์มีนัก ขี่จักรยานคนนะชื่อของคนไทยชื่อสว่างทองดีแกเคยขี่จักรยานเนี่ยเรียกว่าข้ามทวีจากไทยเนี่ยไปยโนโแล้วยุโรปมีคราวนึงเนี่ยผ่านเาส้นผ่านทึกผ่านประเทศนเทศนปาลแกก็ขับไปแถวเทึกเขาฮิมาลายัยฮิมาลัยเนี่ยมันมีเขาสูงเยอะ คนไทยก็นิยมไปเนะี่ยไปเทรลกิ้งไปปะจนหิมมาหรือขึ้นเขานะบางคนก็ไปถึงเอเวอรเรสต์คนไทยก็มีแล้วนะส อ, สองคนแกสังเกตว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งนะคนบางคนเนี่ยคนกลุ่มนี้คือเป็นคนพิการตาบอดบ้างพิการแขนพิการขาแต่ขี่จักรยานเนี่ยไปจนถึงไม่ถึงยอดเขานะแต่ว่าไป ตามเบสแคมป์นะซึ่งไปยากมากประจนฮิมาไปจกอดทึ่งไม่ได้เลยว่าโหคนพิการนะคนที่บางทีก็ป่วยเป็นมะเร็งนะแต่เขานี่ก็สามารถจะเพียงพยายามเนี่ยไปยังที่ที่มันไปยากถ้าอะไรทำให้เขาทำอย่างนั้นได้อย่พวกคำตอบว่าเป็นพ่อคนเหล่านั้นเนี่ย เ้าไม่สนใจสิ่งที่เขาขาดแต่เขาสนใจสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขามีคืออะไรมีมือมีแขนหนึ่งข้างมีขาหนึ่งข้างบางคนตาบอดแต่ว่ายังมีความสามารถอย่าง น, นเขาก็ใช้ความสามารถให้เต็มที่แกได้ข้อสรุปว่าคนเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยอย่าคิดถึงสิ่งที่ตัวเองยังไม่มีให้มองเห็นแต่ให้มองว่าตัวเองยังมีอะไรบ้าง ความสาเร็จหรือว่าการที่คนเราจะไปถึงความฝ่าทำความสาเร็จเป็นจริงได้เนี่ยก็เพราะเราใช้สิ่งที่เรามีมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้สิ่งที่เรามีเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยคือความหมายที่จะหมายเลยว่าการมองเห็นสิ่งที่มีไม่สนใจสิ่งที่ยังไม่มีอีกความหมายหนึ่งคือการมองเห็นสิ่งที่ดีไม่มองสิ่งที่มันไม่ดี นี่คือความหมายการคิดบวกมองบวกมีพี่น้องสองคนนะคนไทยเนี่ยนามสุณสินสุขคนชื่อกหนกวันเกิดมาเนี่ยเป็นธาลัสซีเมียตั้งแต่เล็กตั้งแต่กำเนิดเลยธาลัสซีเมียจะเป็นโรคเลือดและเป็นชนิดแรงด้วยตัวเนี่ยแค่แกนตาโปนกระดูกเปลอก เวลาล้มเนี่ยถ้าไม่แข็งหนักก็ขาหักใส่ฝึือกมาแล้วยี่สิบครั้งหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกินยี่สิบทั้งสองคนอยู่ได้เนี่ยประมาณสามสิบกว่าเพิ่งเสียชีวิตไปทั้งคู่เนี่ยสามสีปีตอนที่เธอมีชีวิ อ, อยู่สองคนได้มีความสุขเคยไปเป็นดีเจให้กับคลินวิทยุชื่อคลื่นความสุขเมื่อสักสิบปีที่แล้ว สมัยที่คืนวิทยุมันยังไม่เป็นพาณิชย์เหมนะือนทุกวันนี้เนี่ยจธอเป็นคนที่มีความสุขทั้งทั้งสองคนเลย ท, ทั้งที่สุขภาพไปแย่มีคนถามว่าเธอมีความสุขได้อย่างไรทั้งที่โรสจะตายเมื่อไรเธอตอบว่าถึงแม้เรอฉันจะแย่แต่ฉันนี่มีตามองเห็นสิ่งสวยงามฉันนี่มีจมูกดมกลิ่นหอมฉันนี่มีหูฟังเสียงไพเราะ กินอะไรก็ยังรู้สึกอร่อยเดินเหินไปไหนมาไหนก็ยังได้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วเลือดเถอไม่ดีใช่ไหมแทนที่เธอสนใจเลือดที่มันไม่ดีเธอต้องรับเลือดเป็นประจำทุกอาทิตย์นะแทนที่เะอสนใจเลือดที่ไม่ดีสนใจว่าเธอมีอะไรดีอยู่บ้างก็ยังมีตาที่ยังทำงานได้มีหูนะมีปากนะมีจมูกที่ยังทางานได้ปกติ การที่เธอเนี่ยมองแต่ตรงเนี้ทําให้เธอมีความสุขอย่างนี้แหละคือความหมายขอการมองบวกมองสิ่งดีๆที่ยังมีนะไม่มองสิ่งที่สิ่งไม่ดีที่มันมีอยู่เวลาเป็นมะเร็งเนี่ยนะหรือบางคนไตาวายเนี่ยต้องไปล้งางไตอยู่เป็นประจำนะถ้าคุณไปสนใจแต่อร่างกายที่เจ็บป่วยนะเอาวิญญาที่มันไม่ดีนะคุณทุกข์ แต่ถ้าคุณมองว่าเอ้ยฉันยังมีฉันยังโชคดีนะฉันยังมีตามองเห็นฉันยังตาไม่บอดฉันยังมีอิสระไปไหนมาไหนได้ฉันยังพูดได้ฉันยังฟังเสียงไพเราะเสียงเพลงเสียงลูกเสียงพ่อแม่ได้ถ้ามองแต่ตรงนี้เนี่ยคุณจะเกิดกําลังใจและคุณจะรู้สว่าโชคดีนะที่ฉันยังมีตามองเห็นฉันยังมีหูที่ฟังเสียงไพเราะได้ แต่หลายคนเนี่ยมองไม่เป็นนะสิ่งดีๆเนี่ยมีอยู่เยอะแต่ว่าเป็นทุกข์เพียงหลายคนเนี่ยนะร่างกายก็ดีสุขภาพก็ไม่เจ็บไม่ป่วยมีพ่อแม่มีครอบครัวที่ อ, อุ่นนะกินอิ่มนอนอุ่นการเรียนก็ดีแต่เป็นทุกข์เพียงเพราะว่ามีสิวไม่กินเม็ดบนใ บ, นบหน้านะถ้าคุณไม่สนใจในไอ้ไอ้สิวไม่กินเม็ดบนใ บ, นบหน้าจะทุกข์มากเลย แต่ว่าไปมองตรงนั้นทําไมในเมื่อเรายมีสิ่งดีๆต้องมากมายเรนนี้นี่เป็นความทุกข์ของผู้คนนะหลายคนหน้าตาดีแ ม, ม้ผู้หญิงผู้ชายหลายคนในมีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายในชีวิตแต่นี่มีความสุขผู้หญิงทุกวันนี้สวยมากกว่าคนสมัยก่อนผู้ชายสมัยนี้เนี่ยหลอ่อสามารถมากกว่าคนสมัยก่อนแต่มีความทุกข์มากกว่าเพราะเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดี นะเช่นผิวคล้ำนะหรือว่ า, าสิวนะหรือว่ า, าหนังแห้งผมแตกปลายนะซึ่งมันเป็นเรื่องจิ๊บจ่อยมาแต่พอมองลบเนี่ยเลยไม่มีความสุขนะไม่ต้องเป็นมะเร็งอ่นะไม่ต้องเป็นไตวายอ่ะอันนะั้นมันหนักไปเอาแค่เนี่ยเป็นสิวผิวแห้งผมแตกปลายก็ทุกข์ลนะเพราะอะไรเพราะมองลบนะีไม่รู้จักมองดู ถ้าคุณมองบวกเป็นเนี่ยนะคุณจะมีคุณจะคุณจะรู้สึกว่าคุณโชคดีนะยังโชคดีที่คุณยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีๆแต่คนสมัยนี้เนี่ยมองบวกไม่ค่อยเป็นแนะทนที่จะมองหรือชื่นชมสิ่งดีๆที่มีอยู่ก็ไปเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีซึ่งมันมีอยู่จิ๊บจ้อยมาก อาจารย์พรมวังโสนะถ้าเป็นพระชาวชาวอังกฤษต่อหลังถ้ามาบวชที่เมืองไทยกับหลวงพ่อชาสุพัทโทและภายหลังนี่ท่านก็ไปสร้างวัดที่ออสเตรเลียทําไม่เป็นเจ้าว่าออสเตรเลียเนี่ยการสร้างวัดเนี่ยพระเนี่ยต้องทำกันเอง ก็ข้าแรงแพงท่านก็ได้รับมอบท่านก็ได้รับมอบหมายให้สร้างทำหน้าที่สร้างสร้างสร้างเกาะกําแพงท่านเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยท่าตั้งใจทําเวลาเกาะกาแพงนี่ท่านจะก่ออย่างสวยงามแต่ละก้อนแต่ละก้อนวางเนี่ยท่านจะทําด้วยความใส่ใจท่านทําเสร็จแล้วเนี่ยท่านจึงสังเกตว่ามันมีต้นมันมีหินอยู่สองก้อนที่วาง กอนเนี่ยไม่เข้าบูมกันเท่าไหร่ท่านอยากจะรื้ออยากจะทําใหม่แต่ว่าสายไปแล้วนะปูนมันก็แห้งแล้วท่านเคยไปขออนุญาตเจ้าวาดแบบขอรื้อได้ไหมเจ้าว่าบอกไม่ได้เพราะว่ามันชื้นเปืองเวลาท่านเดินผ่านกําแพงเนี่ยท่านก็จะเห็นแต่สองก้อนเนี่ยแล้วท่านก็ไม่มีความสุขเลย วันหนึ่งเนี่ยมีขักาตุกะมาที่วัดท่านก็พาชมวัดไอตอนที่ขักาตุกะเนี่ยเห็นกำแพงนัเนี่ยซึ่งที่จริงท่านอยากให้เห็นขันตุกะก็บอก ว, ว่ากำแพงเนี่ยกาได้สวยแต่พรมองโสไม่เชื่อหูนะถามว่าเนี่ยมันสวยได้ไงคุณนในสองก้อนเนี่ย ขาวตุกข์บอกผมเห็นครับผมเห็นสองก้อนนี้แต่ผมเห็นไอ้เก้าร้อเก้บแปดเก้าร้อก้บแปดก้อนที่เหลือนี่มันสวยเข้าใจไหมอาจารย์พรมเนี่ยไม่มีความสุขกับกําแพงเนี่ยเพราะเห็นใจสองก้อนแต่ถ้าลืมมองว่าไอ้เก้าร้ก้าบแปก้อนเนี่ยมันสวย <Yeah. S 1> หลายคนเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นทุกข์ไม่ตายจากอาจารย์พรม ก็คือว่าเห็นแต่ไอเวลาเราจะทำงานก็ดีหรือเราจ ะ, ะใช้ชีวิตก็ตามเนี่ยเราเห็นแต่สิ่งที่มันไม่ดีแต่เราไม่เห็นสิ่งดีที่มันมีอยู่ไม่วันในชีวิตของเราหรือการงานของเราแัะนี่คือความหมายหนึ่งนะการมองเห็นสิ่งที่สิ่งดีๆที่มีอยู่ไม่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่ดี อีกความหมายหนึ่งก็คือการมองเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่และไม่จดจ่ออยู่สิ่งที่เสียไปเนะมื่อกี้พูดว่าการมองเห็นสิ่งที่มีอยู่ไม่จดจ่อสิ่งที่ยังไม่มีอั น, อนคนที่จดจ่ออยู่สิ่งที่ยังไม่มีเนี่ยทุกข์ในทางอื่นการคนที่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เสียไปแล้ว กาที่จดจ่อสิ่งที่มีก็ทุกเหมือนกันอันนึงคือยังไม่มีอีกอันหนึ่งเคยมีแต่มันเสียไปแล้วหายไปแล้วหลายคนก็ทุกเพราะเหตุ น, นี้เหมือนกันเงินหายของหายก็ทุกทั้งที่ไ อ, ไอเงินที่หายเนี่ยเราไม่เคยถามเลยว่ามันน้อยกว่าสิ่งที่เรามีอยู่เยอะเลยเงินหายไปร้อยเงินหายไปพันลูกค้าหรือว่า แม้ค้าทอนเงินไม่ครบขาดไปสิบบาทกลุ่มใจโมโหนะขุนเคืองแต่สิ่งที่มันเสียไปเนี่ยมันน้อยกว่าสิ่งที่เรามีอยู่เยอะเลยเงินพันบาทเงินหมื่นที่หายไปเนี่ยมันน้อยกว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในกระเป๋าหรือมีอยู่ในธนาคารหรือมีอยู่ในบ้านมีเพียงคนหนึ่งการโดนโดนกงไปหกสิบล้าน นะเธอก็เสียใจอยู่แต่ก็เสียใจไม่นานนะเสียใจไปสามวันวันที่สี่เธอก็ยิ้มได้เพื่อนก็เลยถามว่าเธอยิ้มได้ยังไงแฟนเธอเนี่ยนะสามีเธอนี่ยังทุกอยู่เลยยังขุนมัวอยู่เลยเธอก็ตอบว่าถึงแม้จะเสียไปหกสิบล้านนะแต่ทุกวันนี้ฉันก็ยังมีอาหารที่อร่อยกินฉันก็ยังมีบ้านที่อยู่อย่างสบายชีวิตแขน ก, ก็ยังสุขสบายเหมือนเดิมนะ แล้วจะทุกไปทำไมแทนที่เธอจะสนใจหกสิบล้านที่มันเสียไปเธอมาใส่ใจกับสิ่งที่เธอมีแล้วเธอก็พบว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะที่จะต้องมาเสียใจสิ่งที่เรามีเนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เราเสียไปเยอะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมองไม่เห็นตรงนี้มองเห็นแต่สิ่งที่เสียไป ไม่มองเห็นสิ่งที่มีอยู่คุณลองมองแบบนี้สับ้างแม้จะหายแม้จะสูญนะแม้จะเสียอะไรไปก็ตามเนี่ยแล้ยังมีสิ่งดีๆอีกมากมายอยู่ในปัจจุบันเมื่อปี53นะเราคางทราบมันเกิดจราจนกลางกรุงมีการเผาตามศูนย์การค้าไปสี่แห่งเช่นสยามราดําเร็ง อนสาวรีก็มีสุกี้ชื่อดังร้านหนึ่งนะ MK นะเออชื่อโดนเผาไปสี่สาขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะโดนเผาไปสี่สาขาต้องปิดร้านซ่อมเสียหายไปหลายสิบล้านแล้วก็รายได้ที่ต้องเข้ามาเป็นร้านๆก็หมดผู้จัด ก, การเนี่ยนะก็ไปรายงานให้ซ e o โอนะคุณวิทีลโกเมนนะซึ่งเป็นครอบครัวที่เป็นเจ้าของใหญ่ เป็นหุ้นใหญ่นะของ MK มารายงานว่าเนี่ยร้านเอร้านของเราเนี่ยถูกเผาไปสี่สาขาเสียหายไปหลายสิบล้านคุณลิแกก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าพูดทำนองปลอบใจหรือให้ให้สติกับลูกน้องอว่าร้านเราถูกเผาสี่สาขาแต่เรายังมีต้องแต่เรามีสามรอยยี่สิบสาขาทั่วประเทศแปลว่าอะไรถูกเผาไปสี่จะยังเหลืออีกสสามสิบหก สีกับสองีนี่อะไรมากกันนะสีนีหมันแค่ไม่ถึงแค่สิบเปอร์เซนัท่นงสิบสิบเอดสิบสอง1ปอร์เซพูดให้ได้คิดว่าเรายังมีต้องเยอะใ่ไสี่ดูมันเยอะนะแต่พอเทียบกับสามยี่สิมันเล็กน้อยมากคนหนึ่งมองลบเห็นแต่สี่สาขาที่ถูกขายคนหนึ่งมองว่าเรายังมีสามร้อยยี่สิบเรามีเหลืออีกสามสบกนี่คือการมองบวกนะ มองเห็นสิ่งที่มีหรือยังมีอยู่ไม่สนใจสิ่งที่มันเสียไปสิ่งที่เสียไปแล้วนี่เอ า, เอากลับคืนมาไม่ได้นี่คือมองบวกที่คนไม่ค่อยมองเท่าไหร่นีผู้ชายคนหนึ่งนะแกเป็นคนจิตใจดีมาก ชอบพาคนเนี่ยหนุ่มสาวเนี่ยนักศึกษาเนี่ยไปทําช่วยเหลือคนยากไร้ในชนบทมีคราวหนึ่งก็พานักศึกษาเนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปถึงแม่ห้องสอนไปไกลเลยนะไปทําโรงเรียนไปช่วยโรงเรียนช่วยเด็กที่นั่งขากลับนะแกจะไปตากต่อไปแม่สอนแต่ว่าก็กลับด้วยกันนะนั่งรถก็จะคงเป็นรถตู้นะ อา ก, กราบเนี่ยนะแม่งสอนเนี่ยมันโค้งเยอะเนี่ยเป็นพันโคงน้งอ่ะใช่ไหเพรากว่าเกิดพลาดท่ารถเนี่ยมันลงเขาไปเลยลงไปข้างล่างเนี่ยประมาณตั้งยี่สิบสาสิบเมตรเหวมันก็ไม่ลึกเท่าไหร่ตอนที่รถมันพลัดตกเขาเนี่ยแกก็อธิษฐานเลยนะขอให้เด็กที่แกพามาเนี่ยปลอดภัยพรากาทุกคนปลอดภัยหมดแล้วยกเว้นแก แกโดนกระแทกที่สันหลังนะพิการไปครึ่งตัวพิการไปตั้งแต่จากจากเอวลงไปหัวเพื่อนนี่ก็เสียใจกันนะมาเยี่ยมแกมาเจอแกก็พูดว่านี่ยบางคนก็ตัดพ่อว่าทําไมนะทําบุญถึงมาเกิดอุบัติเหตุวเวลาคงเคยมีคําถามนี่นะบางคนไปทอดพ้าป่าเกิดอุบัติเหตุคนที่ตัดพ่ออันนี้พูดเหมือนกัว่าทําดีทําไมไม่ได้ดี แต่ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยนะอาตมาลืมชื่อไปละแกกับยิ้มแล้วแกก็บอกเพื่อนว่าก็เพราะทําบุญเสร็จจึงเหลือมาตั้งเท่านี้ตั้งเท่านี้คือครึ่งตัวถ้าไม่ทําบุญนี่ก็อาจจะหมดไปละอาจจะพิการไปทั้งตัวแกไม่ทุ่งนะเพรพิการก็แกมอง การทีแ่ no แกจะมองสิ่งที่เสียไปแกมองสิ่งที่มมีอยู่หลายคนทุกข์เพราะเสียทุกข์เพราะเห็นแต่ร่างกายครึ่งหนึ่งที่เสียไปแต่เธอแต่ผู้เช่านี้แกไม่ทุกข์แกมองเห็นอีกครึ่งหนึ่งที่ยังมีอยู่ต่างกันนะมันเหมือนน้ำครึ่งแก้วอ่ะคุณจะมองว่าน้ําเนี่ยถ้าคุณมองลบคุณก็เห็นแต่ไอ้ครึ่งแก้วที่มันไม่มีน้ําแต่ถ้าคุณมองบวกคุณก็เห็นว่าน้ำมันมีตั้งครึ่งแก้ว เวลาเราเจอวิกฤติเนี่ยลองมองแบบนี้บ้างนะในเมื่อพิการไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็รักษาใจไว้ไม่ให้ทุกข์และการที่ใจเราจะไม่ทุกข์ด้วยการที่เรามองบวกแบบนี้ด้วยนะอัตมาพูาแล้วนะมองบวกเนี่ยนะนะมองมองเห็นสิ่งที่มีนะไม่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่มีหรือยังไม่มี มองเห baptism, mm ็น hmm. ส like hey! um, like, mm ิ hmm. nope. mm ่ง hmm. ดีๆที่ยังมีอย so ู่ไม่มองเห็นสิ่งที่มันเสียไปแล้วไม่มองเห็นสิ่งที่มันเสียไปหรือไม่ดีมองเห็นสิ่งที่ยังมีอยู่ไม่มองสิ่งที่เสียไปอีกอย่านึงใกล้ๆกันนะคือการมองเห็นสิ่งที่ได้อย่าไปจดจ่อสิ่งที่เสียหรือสิ่งที่ไม่ได้มามันใกล้ๆกันนะแต่ว่าธรามะแยกให้คุณจะได้เห็นความแตกต่างอยู่บ้าง พวกเราคงรู้จักซิกโก้นะซิกโ ก, ก, โก้สเกติสังเสนาเมืองอดีตโคต้ชทีมชาติก่อนที่แกเป็นโค้ชนี่แกเป็นนักนักเตะฟุตบอลระดับซูปเปอร์สตาร์นะทำประตรูให้กับประเทศไทยติดอันดับนะทอ็อปทรีตอนหลังก็ไปเล่นบอลอาชีพที่สิงค โ, โปร์มาเลเซียเวียดนามก็ทำให้สโมสรตัวเองเนี่ยได้แชมป์ตอนหลังสโมสร อ, อังกฤษ ซึ่งตอนนั้นอยู่ในด i วิชั่นหนึ่งะสมัยนะั้นยงเป็นด i วิชั่นหนึ่งะมันยังไม่ใช่เป็นพรีเมียร์ลีกก็มาซื้อตัวแกไปก็เป็นค่าวใหญ่นะเมื่อสักสิบหกสิบเจ็ดปีก่อนเป็นความฝันคนไทยว่าจะได้เห็นนักฟุตบอลไทยเนี่ยไปเล่นในสมโมสรอังกฤษที่มีชื่อและนั่นก็คือความฝันซิกโก้ แต่เพราว่าตลอดฤดูกาลนะซิกโก้ไม่เคยได้ลงสนามเลยนะได้แต่นั่งอยู่ข้างสนามเพราะเป็นตัวสำรองซิกโก้เครียดมากสุดท้ายเขาก็กลับเมืองไทยแล้วก็รู้สึกว่าการแปลงผิดเท้านั้นเนี่ยสูญเปล่าเสียเวลาเป็นความล้มเหลวไม่อยากพูดถึงแต่ผ่านไปหลายปีนะมีคนถามซิกโก้เรื่องนี้ แกยิ้มแล้วเขาเนี้ยแกบอกไม่มีอะไรเลยนะผมแค่หมอไม่ออกมอไม่เห็นมอไม่ออกมองไม่เห็นอะไรแกบอกว่าแปลงกิขนณะมีแต่ได้กับได้หนึ่งได้บ้านสองได้ภาษาสามได้รถนะสี่ได้พัฒนาร่างกายห้าได้เปิดมุมมองใหม่ๆหกได้เจอคนหลากหลายเจ็ดได้เดินทางท่องเที่ยวนะและแปด ได้สัมผัสลิ่ที่มีสีสารที่สุดแนงกลิตในโลกเสียงเดียวคือไม่ได้เล่นตอนนั้นเนี่ยซิโกโเนี่ยแกมองไม่เป็นอันนี้แกก็ยอมรับเลยแกก็เห็นแต่ว่าโอ้ ย, ยจดจ่อยที่ว่าฉันไม่ได้ลงสนามเห็นแค่นั้นแหละแต่แกมองไม่เห็นว่าแกได้อะไรมาบ้างซึ่งพอจําแนกแล้วเนี่ยแจกแจงก็มีต้องหลายอย่างแปดอย่างจากคนที่รู้สึกผิดหวังการแปลงกลิต พอมาเห็นนะ้เราได้ต้อเยอะแยะนะความรู้สึกเปลี่ยนเลยความความคิดเปลี่ยนไปเลยไม่ทุกข์ละไอ้แนะม้คนเราทุกข์เพราะความคิดนะถ้าคุณคิดไม่เป็นนะคุณคิดไม่ถูกนะคุณทุกข์ถ้าให้คุณได้คุณมีนะแต่พอคิดเป็นคิดบวกไอ้ความทุกข์มันหายไปเลยทั้งหมดนี้นี่ยนะ เป็นความหมายหนึ่งของการมองบวกก็คือการมองเห็นสิ่งที่เป็นบวกที่มันอยู่คู่กับสิ่งที่เป็นลบหรือที่มันอยู่แวดล้อมสิ่งที่เป็นลบเหมือนกับสีขาวที่มันอยู่แวดล้อมกากระบาดสีดำในกระดาษแต่นั้นแค่ความหมายหนึ่งนะมองบวกนะอีกความหมายหนึ่งมองบวกคือการมองเห็นว่าการมองเห็นสิ่งดีๆที่มัน การมองเห็นด้านบวกของสิ่งที่มันเป็นลบไม่เหมือนกันนะการมองเห็นด้านบวกของสิ่งที่เป็นลบหรือการมองเห็นด้านดีของสิ่งที่มันไม่ดีเช่อนอะไรเช่นเจ็บป่วยถูกป่าว่าดาทอมันมีข้อดีอยู่นะหลายคนไม่ชอบการคำตาหนิคำาภ า, ว, าว่าด่าทอ แต่ถ้าเรามองดีๆมันมีประโยชน์นะเจ้าของเมืองโบราณนะผู้ก่อตั้งวิริยาประกันภัยคุณเล็กวิยาพันเนี่ยรวยมากนะแต่เป็นคนที่เป็นคนที่ติดดินแล้วก็มีความคิดที่ลุ่มลึกแกเคยพูดว่าวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอากงมงคล น, นะหลายคนเนี่ยถ้าวันไหนถูกตําหนินะ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวว่าถ้าถูกตำหนิเลยแค่ไมกดไลน์นี่ก็แย่แล้วนะแค่ไม่กดไลน์ก็ทนะุกข์แล้วนะยิ่งมาเม้นต์แย่ๆเดี๋ยยิ่งทุกข์ใหญ่เล ย, ย, เลยนะไม่เอาเลยอ่ะวันไหนโดนเมนเนี่ยโอ้โหซวยเลยวันนั้นถือว่าสวยแต่คุณเล็กๆเกคยบอกว่าวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอาบะมงคลเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่คือวันไหนถูกตําหนิวันนั้นเป็นมงคลเพราะว่าคําตําหนิมช่วยเตือนให้แกได้สติ ทำให้ไม่หลงตัวลืมตนเพราะว่าคนที่เป็นผู้นำเศรษฐีก็มักจะมีแต่คนป้อยอหรือว่าทำให้แกได้เห็นว่ามีอะไรที่ควรแก้ไขาปรับปรุงนะเป็นการลดอัตราตัวตนมีประโยชน์นะฮะเดี๋ยวว่าแต่คาตาหนิและแคำต่อว่าดาวพอเนี่ยก็มีประโยชน์อยู่ที่เราจะมองเป็นหรือเ่า ที่วัาทำกองเพนนะของหลวงปู่ขาวอนรารโยสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยมีแม่ชีคนหนึ่งชื่อแม่ชีสาแก่แล้วแต่ว่าเป็นคนที่อุปถัมภ์พระเนรดีมากแล้วก็ปฏิบัติ ด, ดีด้วยนะบางทีแม่แม่ชีจำนวนไม่น้อยแนละ้วก็อุปถัมภ์พระเนรดีแต่ว่าอาจจะหย่อนในเรื่องการปฏิบัติแต่สำหรับแม่ชีสาเนี่ยการ การปฏิบัติมันอยู่กับการทา ง, งานด้วยวันนึงเนี่ยหลวงปู่ขาวเนี่ยสั่งให้ลูกศิษย์สองรูปเนี่ยไปด่าแม่ชีสาภาพสองรูปนี่ก็คงยังงงนะว่าให้ไปด่าทำไมแต่ท่านไม่สงสัยอ่ะครูบาอาจารย์สางก็ต้องไป ไปหาไปที่กุฏิแม่ชีษาแล้วก็เรียกแม่ชีษามาพอไม่ชีษามาก็ด่าเลยด่าด่าด่าดแม่ชีษาที่แล้วก็งงนะแต่ว่าตั้งสติได้ก็ขนมมือฟังอย่างสงบทั้งสองรุ่นนี่ด่าจะไม่รู้จะด่าอะไรแนละก็หยุดพอหยุดเนี่ยแม่ชีษาก็แทนที่จะโกรธนะหรือน้อยใจว่าทำไมครูบาอาจารย์มาว่าเรา เราสาธธรรมความดีทําไมครูบาอาจารย์ไม่นความดีของเราแล้วถ้าเกิดคนอื่เขารู้ว่าเราถูกครูบาอาจารย์ด่าเราจะน่าสุขไปไว้ที่ไหนไม่ชีสามไม่คิดแบบนี้เลยถ้าคิดแบบนี้ทุกเลยนะจะไม่สาร ก, กับพูดขึ้นมาว่าท่านอาจารย์ดูด่าว่ากล่าวเสร็จแล้วเหรออีิฉันฟังแล้วทราบซึ้งใจเหลือเกินเสียงดา่านี่เป็นเสียงธรรมะทั้งนั้นเลยขนณะนิมนต์มาด่าใหม่นะ กิเลสมันจะได้หมดสักทีในชีสามองว่าคําด่าเนี่ยนะมันเป็นเครื่องฝึกใจมันเป็นเครื่องขูดกิเลสมันเป็นเครื่องลดละอัตตานี่คือมองบวกในสิ่งที่เป็นลบนะมองบวกในสิ่งที่เป็นลบสิ่งที่เป็นลบเนี่ยก็คือโลกธรรมแปดฝ่ายลบนะเช่นเสื่อมรากเสื่อมยศถุงดินคาหรือว่าทุกข ทุกอันนึงความเจ็บป่วยตานเจ็บป่วยก็มีประโยชน์นะมันเป็นลบแน่ไม่มีใครชอบแต่ว่ามันมีประโยชน์นะมีวัยรุ่นคนหนึ่งนะแกอายุ21แกเป็นลิวคินเมียมะเร็งเม็ดเลือดแกทุกอยู่พักใหญ่นะแล้วแกก็ตั้งสติได้แกบอกว่า วิวคิมเน่ีย่ยมันนำสิ่งดีๆแม่แก่อยู่สมอย่างสามสี่อย่างหนึ่งมันทำให้ได้รู้จักพระพุทธศาสนาดีขึ้นแต่ก่อนผมจะนึกว่าพุทธศาสนาก็เป็นแค่เรื่องพิธีกรรมแต่พอป่วยแล้วเนี่ยนะผมไม่มีอะไรทำก็นั่งอ่านหนังสือธรรมะคนให้มาก็เลยเห็นคุณค่า พ, พุทธศาสนาสองทำให้ได้เห็นความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อแม่ คนในเมืองเนี่ยคกรุงเทพเนี่ยนะพ่อแม่กับลูกเคือหางกันนะไม่เคยได้กินข้าวร่วมกันยิพอยิ่ง พ, อ, งพอเด็กข้ามาทลายแล้วก็ลูกไปอยู่หอพักนะยิ่งเห่หางจางแม่แต่พอป่วยเนี่ยพ่อแม่ก็มาดูแลโอ้ได้เห็นความความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อแม่ถ้าไม่ป่วยก็ไม่เห็นนะข้อสามเนี่ยนะทำให้มีเวลา ถ้าไม่มีเวลาอ่านหนังสือแล้วก็ทําไม่มีเวลาคุ้นคิดเจ้าบรสถ้าแกไม่เป็นมะเร็งนะก็คงเหมือนกับเด็กอายุยีิบเอดนะนอนหอพักตื่นตีสามรอเพื่อนมาชวนไปกินเหล้าแล้วก็กลับไปนอนนอนตื่นบ่ายสามนะตื่นบ่ายสามรอเพื่อนชวนไปกินเหล้าเฮหาแล้วเข้านอนก็นอนตีสามครับเจ้าบรสเนี้ถ้าแกไม่เป็นริกคีมเนี้ยก็คงจะ ใช่ชีวิแบบไม่นึกถึงคนอื่นไม่มองคนรอบข้างอยู่อย่างประมาทไม่ระมัดระวังแต่เขาเป็นมะเร็งนี่นะโว่ชื่อมันเปลี่ยนเลยเพราะมันทําให้ได้คิดแต่าพราะามีหลายคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะชื่เขาเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะมีคนนึงบอกว่าเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันทําให้เขาได้ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้จักรับมือกับโลกได้ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้น จะว่าตัวแกมเป็นมะเร็งเนี่ยนะนะก็อาจจะอาจจะตายไปแล้วเพราะว่าเป็นโรคซึมเศร้าเคยพยายามค่าตัวค่าตัวตายไปแล้วสาครั้งเพราะโรคซึมเศร้าแต่พอเป็นมะเร็งนะโรคซึมเศร้าหายเลยไปหาหมอเนี่ยหมอจิตแพทย์นะหมอถึงก็บอกเลยเนี่ยทัศนคติการมองโรค ก, การมองชีวิตของของคุณเน่ยเปลี่ยนไปนะตั้งแต่เริ่มเป็นมะเร็ง แม่มะเร็งเนี่ยไม่มีใครอยากยาเป็นนะแต่พอมันเป็นแล้วเนี่ยมันสามารถจะทําให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นมาในชีวิตของเราหรือทําให้เรามีมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปความทุกข์ก็เหมือนกันความทุกข์เนี่ยมีประโยชน์นะยังมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยแกชื่อแพรวนะแกเป็นโรคซึ่งไม่ค่อยได้เกิดขึ้นกับคนทั่วไปเท่าไหร่เป็นโรคปลายประสาทอ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ปลายประสาทไอ้กล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่ก็หายยากอยู่แล้วนะ แล้วก็ทรมามาไอ้กล้ามเนื้ออ่อนไรที่ปลายกระสานยิ่งหนักเท่าใบใหญ่ตอนอยังเรียนมธัธยมเนี่ยนะไม่มีแรงไปเรียนหนังสือไม่มีแรงขึ้นบันไดต้องให้พ่อเนี่ยนต้องต้องขี่หลังพ่อเนี่ยไปเรียนหนังสือขึ้นบันไดไปเรียนหนังสือพอาลังตัวใหญ่มากขึ้นอายุมากขึ้นพ่อกแก่ตัวลงแบกไม่ไหวก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือต้องนอนบ้านแล้วก็สุดท้ายนี่ร่างกายก็ทำํำลายเริ่มขยับไปเยื่อไม่ได้นะ มือก็แค ย, ยากไปเยือนย่าต้องนอนอย่างเดียวมันก็นอนรอวันตายอายุยี่สิกว่าเองเหมือนกับว่ากลายเป็นภาระของพ่อแม่แต่วันดีคืนดีเนี่ยนะมีคนมาอา่านมีมียายมาอา่านนิยายให้ฟังแกก็กำลัองใจแกก็เลยอยากเขียนนิยาย ตอนแรกแ ก, แกใช้คอมพิวเตอร์ตอนแรเขียนไม่ได้เพราะมือแกแกไม่มันไม่อือึดแกก็ใช้โทรศัพท์มือถือแทนและเวลากดเนี่เวลากดที่แกไม่ได้ใช้มืองี่นะแกต้องนองนี่นะกดคีย์กดแป้นแกเขียนนิยายเนี่ยเพราว่าขายได้ทาไม่มีไรายไดม้มาเลี้ยงครอบครัวจากคนที่กลายเป็นพาร์ทของครอบครัวกลายเป็นสาวหลังของครอบครัวเพราะว่า รายได้ของรายได้ที่หล่อเลี้ยงที่บ้านเนี่ยเป็นรายได้จากนิยายที่เธอเขียนสิบสี่เล่มแม่เนี่ยตกงานนะน้องสาวก็เรียนหนังสือได้เพราะรายได้ที่เธอหามาคนพิการนะซึ่งไม่สามารถจะเดินได้ไม่สามารถจะกินข้าวด้วยตัวเองได้ไปถ่ายนี่ก็ต้องมีคนอุ้มไปแต่กลายเป็นสาวรอครอบครัวเธอผพ้ว่าเนี่ยเธอผู้น่าสนใจเธอบอกว่า ความทุกข์มันเดียวความสุขนะความสุขมันทำให้เราฟุง้งมันทำให้เราล อ, อยนะแต่ความสุขมันทำให้เราอยู่กับอยู่กับตัวเองมันทำให้เราได้ไข้ควรชิดมากขึ้นเธอสามารถเห็นประโยชน์ของความทุกข์ของความเจ็บป่วยคนที่มองแบบนี้ได้ต้องต้องมองบวกนะเนี่ยถ้าเรามองบวกเนี่ยเราจะพบว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะ มันมีประโยชน์ทั้งนั้นมันมีประโยชน์สุดแท้แต่ว่าเราจะมองแบบไหนมองประโยชน์ประโยชน์ในทางในทางธรรมะก็ได้อาจารย์พุทธะบอกว่าเนี่ยความเจ็บปวดมันจนให้เราฉลาดฉลาดในเรื่องของสังขารให้เราให้เราตระหนักว่าสังขารมันไม่เที่ยงให้เราไม่ประมาทกับชีวิต ถ้าเราไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยเราจะเพลินเราจะหลงเราจะฟุ้งอย่างที่คนที่อทตมาเล่าแต่เมื่อเราเจ็บป่วยเนี่ยมันทำให้เราหันมาค่้ควรชิดมากขึ้นแล้วก็ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในทางธรรมป่วยทุกทีก็ให้ฉลาดทุกทีจากยพืทธทาสกูอะไรเกิดขึ้นของเราเนี่ยนะคุณมองให้ดีมัมีประโยชน์นะ และบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นทำให้เราทุกข์ถึงขั้นอยากจะไม่อยากอยู่ในโลกนี้มีเพื่อนคนนึ่นนนชื่อเค้กนะสมัยที่เธอเรียนปีสามเนี่ยเธอสวยมากเธอได้รับเลือกเป็นดาวจูดามาเชลัยดาวมาเไลัยตอน PC, อปีสีเธอก็ไปรู้จักผู้ชายคนนึ่งผ่านโซเชียลมีเดียสมัยนั้นเฟ e b o o กยังไม่ดังนะมัน ยังไม่ดงังแต่ว่ามีโซเชียลมีเดียแล้วรู้จักผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็เกิดชอบเกิดลงรักเธอแล้ววันหนึ่งก็นัดเจอกันแต่พอผู้ชายรู้ความจริงว่าเค้กเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมีมความรู้สึกกับกับเขาแบบนั้นแกก็โกรธมากนะผู้ชายคนนั้นนอาจจะรู้สึกว่าถูกหลอกโกรธถึงขั้น น, นักโกรธสาดหน้า เสียโฉมไปเลยนะฮะทั้งหน้าเลยตาบอดไปข้างนึงคนที่เคยภูมิใจในความสวยเ <_ C 1> คยที่มีคนที่เคยอิ่มเอ้มกับความกับความงามของตัวเองเนี่ยพอวันนึงเนี่ยมาเจอแบบนี้เนี่ยไม่มีใครอยากจะมีชีวิตอยู่เลยแกจะฆ่าตัวตายแต่เธอนึกถึงแม่เธอก็เลยไม่ฆ่าตัวตายแต่เธอก็บอกแม่ว่าขอย้ายบ้านไปอยู่ ไปอยู่ที่ที่ไม่มีใครเคยเห็นหน้าเธอตอนที่เธอสวยเธอก็รู้สึกอายนะอายที่ได้เจอคนที่เขาเคยชื่นชมความงามเธอที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายนะเพราะมันไม่ใช่ความผิดของเธอผ่านไปสามสี่ปีาอกว่าจิตเธอพลิกนะชีวิตเธอเปลี่ยนเธอก็ไม่มีความทุกข์เหมือนเหมือนที่เคยทุกวันนี้แกเธอก็ยังไปทํา ง, งานอยู่ ไปทำงา น, นัก ง, งานคอรเซ็นเตอร์ที่ธนาคารแห่งหนึง่งตอนเช้าตอนเย็นเธอก็นั่งรถไฟฟ้าเคยมีคนเห็นเธอก็ทักว่าคุณจิกแคคใช่ไหมคือเธอเคยได้เชิญไออกรายการโทรทัศน์เธอก็ยิ้มเธอก็ตอบรับว่าถูกต้องแล้วค่ะผู้คล้ายๆไปร้อลอปัญญานี่หลายคนนะถูกต้องแล้วค่ะเธอไม่มีความสึดอับอา ย, ยกลับไปหน้าที่เสียโฉมเคยมีคนถามเธอว่า เธอโกรธไหเธอแค้นไหผู้ชายคนที่สาดน้ํากรดสายหน้าเธอเธอบอกเธอไม่โกรธเลยอยากจะขอบคุณเหตุการณ์นั้นด้วยซ้ำเธอพูดอย่างนี้นะอยากจะขอบคุณเหตุการณ์นั้นเพราะว่ามันทําให้ชีวิเธอเปลี่ยนนะมันบอกว่าเธอเป็นคนที่เคยทําเวลาทําอะไรเป็นคนที่ยึดติดถือมั่นมากแต่พอเจอเหตุการณ์นั้นแหละมันทําให้เธอคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมันมีมันมีมันมีอยู่เธอว่ามันมีมันมีข้อดีอยู่สองอย่าง อันที่หนึ่งคือเธอมันทาให้เธอได้อยู่กับพ่อแม่ได้ใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่มากขึ้นคือถ้าเธอยังสวยเนี่ยเธอคงจะหลงกับแสงสีนะก็คงจะไม่ได้อยู่ใกล้กับพ่อแม่แต่ก็สองเธอบอกว่ามันทำให้เธอคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเธอบอกว่าเนี่ยตะกอเนี่ยเธอชอบยึดติดถือมั่นทำอะไรก็ยึดติดแต่ว่าการที่เจอเหตุการณ์ครั้งนี้มันทาให้เธอได้เพราะว่าทุกอย่างมีวันหมดอายุ เธใช้คำนี้นะทุกอย่างมีความเอื้ออายุความสวยความสาวเธอก็เหมือนกันถ้าเธอไม่เจอเหตุการณ์นี้สักวันหนึ่งก็ต้องมันก็ต้องหมดไปนะเพราะว่าเมื่อแก่ชราเนี่ยความสาวความสวยก็หายไปแต่การที่มันได้เธอได้เจอตั้งแต่เหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยมันทําให้เธอปล่อยวางได้มากขึ้นมันทําให้เธอได้ปล่อยวางมากขึ้นเพราะรู้ว่าทุกอย่างมีควมามเอือยู่แล้วเธอบอกว่าเนี่ยมันทําให้เวลามีเดี๋ยวนี้เวลามีใครมาพูด อะไรถึงเธอต่อว่าดาทออะไรเธอเธอไม่ไม่ทุกเลยเพรอที่หนักวันนั้นเธอก็ปล่อยวางได้แล้วเธอก็ปล่อยวางมาแล้วเนี่ยไอ น, นี่เธอก็รู้จักเป็นคนใช้ประโยชน์นะจากความทุกข์นะเห็นประโยชน์จากมันไอ้อความทุกข์ทุกอย่างมีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักใช้หรือรู้จักมองงั้นเศรษฐกิจตกตามตอนนี้นะลองมองดีๆเลยมันมีข้อดียังไงบ้าง แต่ที่คุณจินาว่าาจะทำให้เราได้มาสนใจธรรมะเมื่อคนที่เคยเจอวิกฤตเศ ร, รษฐกิจปี40ปี40นี่หนักกว่า น, นักกับตอนนี้นะแต่หลายคนขอบคุณเพราะว่าต่อล้มละลายแล้วก็เลยทำให้ต้องหันหน้าเข้าหาวัดหันหน้าเข้าหาธรรมะแล้วพบสิ่งที่ประเสริฐสุดในชีวิตหลายคนก็วางมือเรื่องธุรกิจเลยนะหันมา ขันมาปฏิบัติธรรมขันมาใส่จาการทมาจริงจังนั่นคนเราเนี่ยคือคนที่ก็บอกขอบคุณวิกิจเศ ร, รษฐกิจหลายคนเมื่อเพราะว่าตกงานเมื่อตกงานก็เพราะว่าตัวเนี่ยมีเวลาไปเยี่ยมพ่อแม่มีเวลาได้ดูแลท่านมากขึ้นถ้าเศ ร, รษฐกิจยังรุ่งก็คงจะบุ่นนะอยู่กับการทำมาหาเงินหรือการทำมาหากินไม่มีเวลาให้กับพ่อแม่ พอเกิดวิกฤติจสริขึ้นมาตกงานอได้มีเวลาอยู่กับท่านได้มีเวลาตอบแทนคุณท่านมันมีข้อดีนะถ้าเรารู้จักมองบวกเราจะเห็นว่าในเคราะห์ในโชคเนี่ยนะในเคระ์เนี่ยมันมีโชคอยู่เสมอถึงแม้ว่าบางเยอะบางบางเหตุการณ์คุณอาจจะมองว่ามองไม่เห็นเลยนะว่ามันมีข้อดีอยงไรบ้างเนี แต่ยมาว่ามันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะบองดีๆนะมันดีที่ไม่แยกไปก่อนนี้มันดีที่ไม่แยกไปก่อนนี้ในสายพุทธการเนี่ยมีพระลุ่นหนึนะ่ชื่อพระปุณณนะวัหนหึพระปุณณะเนี่ยจะมาทูลลาผู้เจ้ากลับไปเมืองสุนาปรังต์พระเจ้าก็ทักว่าคนสุนากรังต์นี่นะเขาโหดร้ายนะเขาด่าว่าท่านท่านจะคิดอย่างไร พระุณณ์ตอบว่าเขาด่าว่าก็ยังดีที่เขาไม่ทุกตีผู้จ้าถามต่อว่าแล้วถ้าเขาทุบตีท่านท่านจะคิดอย่างไรพระุณณ์ตอบว่าเขาทุบตีก็ดีที่เขาไม่เอาก้อนมาคว้างแล้วถ้าเขาาก้อนมาคว้างท่านจะคิดอย่างไรถ้าเขาเอาคว้างก็ดีที่เขาไม่เอาไม้มาฟาดแล้วถ้าเขาาม้มาฟาดท่านจะคิดอย่างไรเขาเอาไม้มาฟาดก็ดีที่เขาไม่เอาของแหลมมาแทง แล้วถ้าข้อของแหลมมาแทงถ้านจะคิดอย่างไรข้อของแหลมมาแทงก็ดีที่เขาไม่ฆ่าให้ตายเแล้วถ้าเขาทักฆ่าท่านให้ตายท่านจะคิดอย่างไรเป็นคําถามสุดทางกเจ้าพระพุทธเจ้าตอบว่าคนบางคนนะอยากจะฆ่าอยากจะฆ่าตัวอยากจะฆ่าโดนตายต้องไปหามีดหรือต้องไปจ้างคนมาฆ่าแต่ถ้ามีคนทําอย่างที่พระเจ้าว่านะ ก็ดีนะคือไม่เหนื่อยไม่ยุ่งยากผู้จ่าก็เลยอนุโมทนาว่าเอองั้นพระคุณนะเธอไปได้แล้วพระคุณนะท่านก็ไปกลับไปเมืองสุนทรพันตากแล้วท่านก็สามารถจะสอนธรรมะชนะใจคนสุดทรพันธตากได้ทํำไมก็หัมาสมนใจพระศาสนาไตรและพระคุณนาภายหลังก็ได้เป็นพระอรหันต์นี่เป็นเป็นเรื่องในประไปฤฤิโกนะที่น่าคิดนะคือพระคุณนะมองว่าอะไรเกิดขึ้นกับท่านดีทั้งนั้น ไม่ว่าเขาจะด่าว่าไม่ว่าเขาจะก้อนมาฟ้าไม่ว่าเขาจะเอามามาฟ้าไม่ว่าเขาจะเอาของแหลมมาแทงหรือเขาจะตายตายดีดทั้งนั้นแล้วลองมองอยู่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราดีทั้งนั้นนะอย่างน้อยก็ดีที่ไม่แย่ไปกว่านี้อารมาเคยเจอเคยพาคนเนี่ยไปเยี่ยมผู้ป่วยเป็นจิตอาสาไปเยี่ยมผู้ป่วยเียรอาสาคนนึงก็ไปเจอเด็กนะยีสิบสี่ เผมร่วงหมดเลยเพราะว่าผ่านการฉายแสงาการคีมโมเธอเป็นมะเร็งที่สมองแต่เธอยิ้มแย้มแจ่มใสชวนจิตอาสาพูดคุยชวนจิตอาสาวาดรูปเจสสาซึ่งอายุห้าสิบยังแปลกใจทําไมเป็นมะเร็งสมองเนี่ยทําไมถึงมีอารมณ์ว่าดรูปทำไมถึงมีมีโอภาปาสายดีไม่หดหู่เลย คุยไปคุยมาเด็กก็บอกว่ า, าเธอโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกมีญาติคนนึงเป็นมะเร็งมดลูกที่ปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองโอจิตอาสารนี่อึอ้งเลยนะหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองขนามะเร็งสมองเนี่ยยังสามารถจะเห็นข้อดีของมันได้นะ ดีงไงดีที่มันไม่ยากไปกันนี้ไงวันนั้นเนี่ยถามตัว เ, เองนะถ้าตอนนี้เรามีความทุกข์ใจเรื่องอะไรก็ตามความทุกข์ของเราเนี่ยมันน้อยกว่าหลายคนที่เราพูดมาเยอะจึงสมควรที่จะคิดว่าเราเนี่ยโชคดีคุณจินานาพูดเมื่อเมื่อตอนก่อนที่มาบรรยายวันเนี่ย เราโชคลายนะถ้าเรามองไม่เห็นว่าเราโชคดีอย่างไรบ้างเราโชคลายเลยนะถ้าเรามองไม่เห็นว่าเราโชคดีอย่างไรบ้างเพราเราทุกคนในที่เนี่ยโชคดีทั้งนั้นเลยหรือที่ว่าเราจะมองเห็นบ้างหรือเปล่าถ้าเรามองมเห็นเราก็โชคร้ายทันทีคนโชคดีเนี่ยนะกับคนโชคร้ายนี่ต่างกันตรงไหนนะไม่ได้ต่างตรงที่ว่า คนหนึ่งเจอแต่สิ่งดีๆอีกคนหนึ่งเจอสิ่งแย่ๆไม่ใช่เลยนะแต่เป็นเพราะมุมมองที่ต่างกันต่างหากเจอเหมือนกันแต่มุมุมมองต่างกันเขาเคยเขาเคยในฝรั่งเขาเคยทดสอบคนสองกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งนี่คือคนที่บอกว่าตัวอเป็นคนโชคดี อีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่บอกว่าตัวเองโชคร้ายทั้งสองกลุ่มนี้นะให้ทากิจกรรมหลายอย่างกิจกรรมหนึ่งก็เช่นว่าสมมติว่าคุณเนี่ยเข้าไปในธนาคารเพื่อที่จะไปทำธุรกรรมเช่นฝากเงินแล้วปรากฏว่ามีโจรเข้ามามาปล้นแบง์ปรากฏมีการสู้สู้มีการยิงปืนต่อสู้กันระหว่างโจรกับยามรักษาธนาคารแล้วปรากฏว่าคุณเนี่ยถูกลูกหลงนะ กรสุนไปถูกที่ไหล่ที่แขนเนี่ยแล้วก็ถามว่าคุณรู้สึกอย่างไรคนที่คนที่ที่บ่าวตัวเองโชคดีเนี่ยเขาจะมองเขาจะบอกว่าเราโชคดีนะที่ไม่โดนจุดสําคัญส่วนที่คนอีกกลุ่มนึงนะั้นจะบ่าวตัวเองโชคร้ายที่ว่าที่มาเจอรูปลง และคนที่บอกตัวเองโชคลายเนี่ยก็คือคนที่มองมองว่าตัวเนี่ยชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอแต่โชคร้ายการทดลองนี้เนี่ยกิจการทดลองนี้เขาพิสูจน์ว่าคนโชคดีคนโชคลายเนี่ยไม่ได้ต่างกันเพียงเพราะไม่ได้ต่างกันตรงที่ว่าคนหนึ่งเจอแต่สิ่งดีๆคนหนึ่งเจอสิ่งที่ร้ายไม่ใช่คนโชคดีนี่คือคนที่เขามองว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรากับเขาเนี่ยมันดีทั้งนั้น คนโชคร้ายคือคนที่มองเห็นแต่ด้านลบของสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเวลาเราบอกว่าเราเป็นคนโชคดีเนี่ยเราต้องถามว่าเวลาใครที่คืด่าตัวเองเปนคนโชคร้ายเนี่ยต้องถามว่าจริงๆเนี่ยเราเจอสิ่งไร้หรือเปล่าหรือเป็นเพราะมุมมองของเราเนี่ยนะม อ, มองเห็นแต่ด้านร้ายนะหรือมองเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันแย่ทั้งนั้น คนโชคดีเนี่ยคนที่หมอตัวเองคนที่คิดว่าตัวเองโชคดีนี่นะลูกกระสุนถูกที่มือถูกที่แขนยังบอกว่าตัวเองโชคดีที่ไม่เจอถูกจุดสำคัญแต่คนที่คิดว่าตัวเองโชคลายเนี่ยเขาจะเห็นว่าผม้เราซวยจริงเลยนะต้องมาเจอลูกหลงแม้กระทั่งในธนาคารมีคนโชคดีอีกคนนึงนะเออซึ่งเราน่ารู้จักนะ เป็นพระนะชาวบ้านที่อุดอรเรียกว่าหลวงปู่ดีเนาะถ้าเป็นคนโชคดียอย่างไรมีตัวอย่างเหตุการณ์นะมีครงนท่านดับนิมนต์นะให้ไปไปฉันเพลนะที่อำเภอหนึ่งถึงตอนเช้าเนี่ย เขาไม่มาลักตาม ท, ที่นิมนต์เอาไว้ท่านก็รอจนสายเขาไม่มาก็เลยฉันฉันเช้าที่วัดเลยท่านก็บอกเออดีเนาะขอไม่มาแล้วก็ฉันอาหารของเราฉันไปได้แค่สองสามช้อนบอกว่าเจ้าภาพก็มาถึงมาสายนิมนต์ท่านท่านก็กว่าดีเนาะน ะ, นะได้ไปทํางานแล้ว นั่งรถไปกลางทางมันรถเสียนะั้นก็ว่าดีเนาะได้นั่งได้ได้นั่งชมวิวอันนี้คนขับรถเนี่ยซอบรถเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลต้องต้องเข็นได้เข็นคนเดียวไม่ได้ต้องรีบมุนท่านมาช่วยเข็นด้วยนั่นก็ว่าดีเนาะได้ออกกำลังกายนะไปถึงไปถึงไปถึงสถานที่จัด ง, งานปรากฏว่ามันเลยเวลาเทไปละนะ ถ้าได้ไม่พอนะนี่หมดท่านขึ้นเทศเลยท่านก็ว่าดีเนาะมาถึงก็ได้ทํา ง, งานเลยทั้งปรเทศเสร็จแล้วก็ถวายพอท่านลงมาเนี่ยเขาก็เจ้าภาพก็ถวายกาแฟานะแต่ว่าเพลินแทนที่จะใส่น้ําตาลก็ใ ส, ใส่ใส่เกลือท่านฉันนะแล้วก็บอกดีเนาะแล้วท่านก็วางไอ้ลูกศิษย์เนี่ยก็ เห็นว่าท่านเลิกฉันแล้วก็เลยขอฉั้นหน่อยให้ขอดขอดื่มหน่อยจะได้เป็นบุญบอกก็ว่าดื่มแบบอึอึอึกเดียวแล้วก็ก็พ่อนออกมาเลยเพราะมันเค็มมากก็บอกเนี่ยหลวงพ่อฉันได้ยังไงเนี่ยแต่มันเค็มเหลือเกินท่านก็บอกว่าก็ฉันกาแฟหวานๆบม้างแล้วชันยิ่เค็มบ้างก็ดีเหมือนกันนะคืออะไรเกิดขึ้นกับท่านเนี่ยท่านว่าดีนัดตลอดท่านจิงเป็นคนโชคดีไง ตอนหลังเนี่ยทนะ่านสมณะสักนะเป็นพระเทพวิสุทธาจารย์นะแล้วก็ตดท้ายในราชินานามท่านก็มีคำว่าสาธุอุทานธรรมวาทีก็แปลว่าดีเนาะนั่นเองคือท่านมองอะไรเป็นบวกตลอดเวลาท่านจึงเป็นคนโชคดีเนี่ยต่มาคิดว่าเนี่ยการมองบวกเนี่ยนะมันมันมันมีประโยชน์นะ มันทําให้เราสามารถที่จะเห็นสิ่งดีๆท่ามกลางสิ่งที่เลวร้ายได้และมันสามารถทําให้เราใช้ประโยชน์จากความทุกข์นะไม่ว่า ม, มีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถจะใช้ใมันดีไปหมดนะในเมื่อเราเจะบป่วยแล้วเนี่ยทําไมเราต้องป่วยก็ยไม่ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยและไปถึงที่ทำไม่ใจไม่ป่วยก็ยยคือการที่เรามองเห็นข้อดีของมันดีนะที่ไม่ป่วยมากกว่า น, นี้นะออดีนะที่มันแสดงทําให้เราเห็น หลวงพ่ออมเขียนหลวงพ่ออตาตมาเนี่ยตอนที่ท่านป่วยเป็นมะเร็งครั้งแรกเมื่อปีสี่เก้าเนี่ยจะเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ก็มีทุกเวทนาทางร่างกายมากนะต้องไปโรงพยาบาลทันทีเลยท่านก็บอกก็ดีนะอยู่ที่โรงพยาบาลนี่มีคนทําให้ทุกอย่างเลยนะไม่ต้องทําอะไรเลยสักอย่างนะท่านก็บอกว่าเนี่ยก็อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ แค่เห็นไตรับมันแสดงออกให้เห็นเห็นไตรับมันแสดงตัวก็พอแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ค่แค่เห็นไตรับมันแสดงตัวออกมามันโชว์มาก็คือใช้ความป่วยเนี่ยเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นธรรมะเห็นไตรักก็คือที่จำผู้ฝังนัดต่างนะอันนี้เราป่วยกายแต่ใจไม่ป่วยแถมได้ประโยชน์จากความเจ็บปว่วยก็คือได้เห็นธรรมะนะจากร่างกายที่มันแสดงออกมา ไอ้เพราะนั้นเนี่ยน ะ, ะถ้าเรารู้จักฝึกเอาไว้บ้างนะเราจะเราจะอยู่กับอยู่ในโลกที่แดงมีความสุขนะอะไรเกิดขึ้นกับเราก็มีความสุขในทั้งนั้นรถติดกิกก็ไม่ตกนะนะเพราะว่าเราเห็นประโยชน์ของมันนะมีพ่อกับลูกนะนั่งรถนะบอกว่าเจอรถติดติดยาวเลยติดนานด้วยพ่อก็เลยถามลูกว่าเนี่ย รถติดนี่มันมีดีอะไรบ้างมีข้อดีองไงบ้างเรานึอ้อออกไหมรถติดมีข้อดีอะไงบ้างลูกคิดอยู่สักพราหนึ่งลูกก็บอกว่าดีตรงที่ทําให้พ่อมาคุยกับลูกถ้ารถไม่ติดนี่พ่อคงไม่ได้คุยกับลูกนะไม่มีเวลาคุยแต่พอรถติดพ่อก็ได้มีเวลาคุยกับลูกเดี็กเขาฉลาดนะเราสามารถจะเห็นข้อดีของสิ่งที่มันแย่ได้ เราตมาก็ใช้เลาพอสมควรแล้วนะชั่วโมงครึ่งก็จะเปิดเวลาให้กับการซักถามถ้าหากมีล้วขอเชิญได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ซาดโดนใจไปหลายข้อไหมแต่ซอ น, นี้ก็โดนไปข้อเลยนะค่ ะ, ะสงสัยงานจะเข้าเลยครับอาจารย์ ถ้าพรอพระอาจารย์บอกว่าถ้าลูกน้องได้ธรรมะว่าถ้าซอเทสทุกวันแล้วเป็นวันมงคลซอรอคงต้องเทสทุกวันคืนนนอคณะกรรมการข้งหลังนี่ต้องเปลี่ยนใจใหม่นะก่อนหน้าบอกว่าซอส ด, ดุดุต่อไปนี้คงไม่ดุนะฮะเธอต้องวิ่งมาให้ฉันเทศไม่งั้นจะไ ม, ไม่เป็นวันมงคลนะคะก็ดูท่านพูดเหมือนดูง่ายๆนะฮะว่าดูแล้วเหมือนง่ายแต่จริงเนี่ย มันอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยแต่ทําไมเราไม่ค่อยจะรู้นะพอฟังท่านพูดแล้วก็อจริงด้วยนาะไอ้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วแต่เราก็ไม่รู้จะบ่นอะไรกันกนะจ๊ะนะฮะความทุกข์ที่มีก็คือไปมองหาแต่อะไรที่เราไม่มีใช่ไหมฮะรจริงๆเราก็มีกันเยอะแยะนะคะสิ่งที่ซ่อนก็อบ่นกับท่านก่อนมาก็คือ คือการทํางานเราเนี่ยอยู่กับคนเยอะนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าปัญหาของคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําให้เราลำบากพอฟังอาจารย์พูดแล้วเออเนาะความจริงคนก็ไม่ได้ทําให้เราลำบากเราอะไรไปทําให้คนมันลำบากเองนะคะก็เลยคิดว่าเราก็น่าจะได้สติบ้างได้หยุดบ้างแล้วก็อ่าคลายความทุกข์ไปได้บ้าง น, นะคะก็ท่านใดมีคําถามนะคะยกมือเดี๋ยวให้น้องเขาเดินมปให้ เช็ดแบบไหมให้ด้วยนะมีไหม่อีกตัวปะเอาเลยค่ะใครอยากถามอ้าวคนท่านหลาน อ, อ้าวคนใหม่มีตัวอยู่ไหนนี่แสนขับนะฮะต้องขอบคุณมากค่ะคือนิมนต์พระาจารย์เนี่ยนะถ้าไม่ได้คุณสมชิตกับคุณผอทิพย์นิมนต์ไม่ได้นะคะ แล้วก็มีคนถามนะครับุณหลจิตถามว่าทําในนิมนต์พระอาจารย์ได้เราดิเป็นเพื่อนกันก็ลเลยตอบว่าต้องตั้งใจจริงนะคะเวลาเขาถามว่าตกลงจะนิมนต์พระอาจารย์ไหมสองตรงนี้ตอบเลยนะว่านิมนต์ค่ะเพราะถ้าเราจะตอบแค่ว่าเออเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะคะแล้วหันหลับไปหาเขาก็จะบอกนี่ตกลงปี60เต็มนะคะต้องไปต่อปี6กหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาจะนิมนต์ต้องตั้งใจแล้วแน่แล้วก็เด็ดเดี่ยวนะคะ เอาเช่นค่ะคุณสมจริยเออที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเราคิดลบเป็นอา จ, จินเป็นนิสัยมันกลายเป็นล่องความคิดไปแล้วนะคือเวลาล่องน้ำนี่นะ ร่องน้ำที่แรกก็เกิดจากน้ำซ้ะไปบ่อยๆบ่อยๆเกิดร่องน้ำนะแล้วพอมีร่องน้ำเกิดขึ้นเนี่ยนะเวลาน้ำมาเนี่ยน้ำก็ไปร่องน้ำเนี่ยที่แรกเนี่ยร่องน้ำที่เป็นตัวกําหนดหรือตัวสร้างให้เกิดร่องขึ้นแต่พอร่องพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นตัวบังคับน้ำให้ไหลไปในทิศทางนั้นถ้าเราจะสร้างร่องใหม่ขึ้นมาเนี่ย เราพยายามเจาะให้ซอกให้มันมีร่องใหม่เกิดขึ้นแต่แต่าบใที่ร่องน้ําเก่ายัางลึกเนี่ยและกว้างน้ําก็จะไปร่องเก่าอยู่นั่นเองกว่าน้ําเนี่ยมันจะไปร่องใหม่เนี่ยมันต้องใช้เวลาถ้าถ้าร่องใหม่เนี่ยมันเริ่มลึกแล้วก็เริ่มกว้างขึ้นเนี่ยน้ําก็จะเริ่มค่อยไปร่องใหม่และถ้าร่องใหม่เนี่ยมันกว้างแล้วลึกมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายเนี่ยนะน้ำมันจะไปร่องใหม่ล้มันจะไม่ไปร่องเก่า ไอกระแสความคิดของเราก็เหมือนกระแสน้านะเราสร้างร่องเก่าจนเป็นอันตริยก็คือร่องที่มองอะไรเป็นลบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดขึ้นนะมองลบไว้ก่อนนะคิดแต่ลบอย่างเดียวเราจะมองเห็นแต่สิ่งที่เสียไปไ ม, ไม่สนใจสิ่งที่เรามีเราจะมองเห็นแต่ด้านร้ายไม่มองเห็นแต่ด้านดีอันนี้เพราะมันเป็นร่องเพราะมันมีร่องความคิดนะ ที่มันกำหนดกระแสความคิดของเราเอาลไปไว้แล้วนะวิธีการคือต้องพยายามสร้างร่องใหม่พยายามสร้างร่องใหม่พยายามคิดพยายามคิดไปในทางบวกบวกบวกตลอดเวลาคิดจนทํามันกลายเป็นมันกลายเป็นเป็นนิสัยถ้านิสัยใหม่ ม, มันมาแทนนิสัยเก่าเมื่ อ, อไหร่เนี่ยเราจะร่องเราจะมองอะไรเป็นบวกโดยอัตโนมัติอย่างหลวพ่อดีเนอกเนี่ยท่านจะท่านจะดีเนาะทุกอย่างเลยเพราะว่าท่านคิดไปในแนวนั้นตลอดเวลานะ วันนั้นเนี่ยต้องอาศัยต้องอาศัยการคิดบ่อยๆอยคิดบ่อยๆจนกระทั่งเป็นเป็นนิสัยนะการมีกริริยานั้นช่วยเตือนให้เราพยายามคิดในแง่นี้บ้างแง่นี้บ้างเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราเนี่ยไม่เผลอคิดไปในมุมเดิมล่องเดิมนะสติสําคัญนะฮะสติเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยรู้ตัววันนี้เรากาลังคิดไปในแง่ร้ายแล้วนะกำลังคิดไปในแง่ลบแล้วนะไอ้การมองลบนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีโทษนะมีข้อดีนกันนะ การที่เราเระแวงเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราอยู่ห่างไกลจากอันตรายนะมนุษย์เราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยมาเป็นแสนแสนปีก็เพราะเราเรารู้จักระแวงได้ยินเสียงเสียงอะไรผิดสังเกตเนี่ยเราก็ระแวงไว้ก่อนเป็นสัตว์ร้ายหรือเปล่าอาจจะไม่เห็นนะแต่ระแวงไว้ก่อนแล้วพยายามอยู่ห่างมันก็ทําให้เราลอดจากอันตรายสัตว์ถ้าไม่อยู่ความระแวงเลยเนี่ยมันก็อาจจะ เป็นเหยื่อนะของของสัตว์ใหญ่กว่านู้เราเนี่ยเรารอ่อยู่รอดกรอบภำไมไม่ได้เพราะเรารู้จักระแวงเรารู้จักมองลบนะเด้นเสียงกุกกักกุกกะแวก็มองร้ายไปก่อนว่าอาจจะมีสัตว์ร้ายนะแต่ว่าถ้าเรามองลบเป็นอาจินเนี่ยนะมันจะสร้างความทุกข์กับเราเพราะความทุกข์ในเวลานี้เนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากอันตรายที่อยู่นอกตัวมันเกิดจากจิตของเรา ที่ชอบคิดเลิกคิดลบคิดระแวงนะทําให้เราการเป็นคนที่กังวลและทําให้เราไม่มีความสุขกับปัจจุบันได้สิบล้านก็คิดว่าเสียสิบล้านเนี่ยนะอันนี้มันมันทำให้มีความทุกข์ใจใช่ะฉะนั้นเนี่ยจะต้องสร้างนิสัยใหม่พยายามเตือพยายามมีสติรู้ทันว่าเอ้ยนี่เราคิดลบคิดล้ายแล้วนะลองลองกลับมามองแง่บวกดูบ้างไอ้ต้องใช้ ต้องทําแบบฝึกหัดเช่นเวลาเราจะวิจารณ์ใครเนี่ยก่อนที่เราจะวิจารณ์ใครเนี่ยเราต้องมองเห็นสมมุติเราจะวิจารณ์เขาหนึ่งเรื่องเนี่ยเราต้องมองเห็นข้อดีเข้อ2นะอันนี้เป็นการบ้านเป็นเป็นแบบฝึกหัดนะที่สอนสอนตัวเองก็ได้สอนคนอื่น <Nam> ก <crack> ็ได้ว่าก่อนที่จะวิจารณ์ใครเนี่ยหรือจะวิจารณ์ใครก็ตามเนี่ยถ้าวิจารณ์หนึ่งเรื่องต้องชม2เรื่องนะถ้าคุณคิดแบบนี่เป็นนิสัยเนี่ยนะ ไม่ทำให้คุณเริ่มเห็นข้อดีของของคนที่อยู่รอบตัวหลายคนเนี่ยนะเก่งแต่วิจาร์แต่ชมคนไม่เป็นเพราะมองไม่เห็นเลยที่มองไม่เห็นเพราะไม่ใช่พราะขาไม่มีนะแต่พ่อมองไม่เป็นไงพาะมองแต่ตำหนิตลอดเวลานี่ถ้าเราลองพยายามมองชื่นชมดูบ้างเวลาไปไหนเนี่ยคนที่ชอบขี้บ่นนะก็ต้องตั้ง ก, กติกาตวว่าบนน่นถงเรื่องต้องชมสองเรื่อง คนที่ชอบไปอินเดียเนเวลาไปอินเดียเนี่ยคนไทยชอบบ่นนะบ่นโน่นบ่นนี่อินเดียเนี่ย น, นะนยนนยยนยมีเรื่องให้บ่นเนี่ยทั้งวันเลยลองตั้งตติกาตัวเองบ้างนะเนี่ยถ้าจะไปเวลาไปอินเดียเนี่ยถ้าบ่นหนึ่งเรื่องต้องชม2เรื่องหรือว่าถ้าจะบ่นเพื่อโรงงานวิจารณ์เพื่อโรงงานหนึ่งเรื่องต้องชม2 อ, อย่างนะอันนี้เนี่ยนะมันทาให้เราเนี่ยเริ่มมีร่องใหม่ร่องความคิดใหม่นะเป็นร่องที่มองอะไรเป็นบวกมากขึ้น และต่อไปถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยไอ้ร่องใหม่มันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสุดท้ายเนี่ยความคิดเราก็จะไปสู่สร่องใหม่คือมองอะไรนี่ก็จะมองเห็นบวกอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งนะฮะพูดถึงการมองบวกนี่ก็มีคนมักจะเข้าใจว่าเป็นการเป็นการหลอกตัวเองนะ มันจะเป็นการหลอกตัวเองถ้าเรามองบวกในความหมายที่เทตามาพูดตอนต้นๆว่าเช่นเราไปมองว่าเอ้ยเดี๋ยวสศรษิก็จดะ ด, ด, ดีขึ้นเองนะหรือว่าเราป่วยเราเป็นมะเร็งเดี๋ยวก็ ค, คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราก็จะหายอันเนี้ยมันอาจจะเป็นการหลอกตัวเองเพราะมันเป็นการมโ น, โนในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นาที่เทตามาพูดยเปียมาสองอย่างเนี่ยมองบวกเนี่ยเทตามาพูดมาสองอย่างคือหนึ่งมองบวกนะ ที่มองเห็นบวกที่มันอยู่คู่กับสิ่งที่เป็นลบหรือมองบวกในสิ่งที่เป็นลบเนี่ยมันคือการมองความจริงอีกแง่หนึง่งมันเป็นการมองสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องอนาคตไม่ใช่เรื่องมโนแต่มองเห็นด้านของความจริงเห็นมองเห็นความจริงในอีกด้านหนึ่งที่เรามักจะไม่ค่อยมองกันเท่าไหร่ก่ที่ทมาพูดมาเนี่เป็นเรื่องการเป็นเรื่องความจริงทั้งนั้นนะ แต่เป็นความจริงที่คนมักจะไม่ค่อยมองไม่ใช่เป็นเรื่องของการบรโนหรือคลุงแต่งภาพอในอนาคตมีมทา่ทานใดถามคำถามต่อไปไหมครับก็นามัยการมหาจารย์ใจทีนี้เมื่อกี้พอาจารย์พูดถึงว่าบ ร, ราิกรรมแบบคิดของคิดบวกค่ะ พอ ค, คิดบวกไปเรนะื่อยเนี่ยเราก็จะเหมือนแบบเหมือนทำอะไรก็ดีไปหมดทีนี้เหมือนกรอบความคิดของคนเรามันกว้างมากค่ะพระอาจารย์ทีนี้เหมือนเราจะมีแนวทางหรือกรอบอยังไงจะบอกว่าสิ่งที่เราคิดเนะี่ยมันเริ่มเกินเป็ น, เ ป, นเป็นมาโนยที่พาะอาจารย์บอกอะคะ่ะเราจะมีสิ่งยึดแบบบอกความคิดเรายังไงดีว่าสมมติเรากำลัคิดบวกอยู่แต่ไม่ใช่การหลอกตัวเองคือ หลอกตัวนี่คือการมองหรือสร้างภาพในสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นพยายามจินตนาการว่าอนาคตมันจะดีจะโชคช่วงชัชวาลแต่มองบวกในความหมายที่เราพูดการมองสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นรถติดเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างรถติด ก, ก็คือว่าทําให้พ่อมาคุยกับลูกอันนี้เป็นไม่ใช่เรื่องมโนโ น, นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือสิ่งที่เป็นไปได้ใช่ไหมเจ็บป่วยก็ทําให้เราได ม, มีเวลาพักผ่อนใช่ไหมอันนี้มันไม่มโนอ่ะ เพียงแต่เราจะมองไม่เห็นเจ็บป่วยก็มีข้อดีนะมีเพื่อนมาเยี่ยมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่เรามองไม่เห็นไม่สังเกตนะเจ็บป่วยก็ทําให้เรามีเวลานั่งขุ้นคิดไตรตรองอันนี้ไม่ใช่มโนโแต่เป็นการรู้จักใช้ประโยชน์จากมันใช่ไหมคนนี้เนี่ยต้องมีต้องถ้าถ้ากลัวว่าเราจะมโนโก็คือว่าต้องพยายามอยู่กับความเป็นจริง นะไม่ใช่เป็นเรื่องการคาดการณ์ในอนาคตแต่การมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่ามันมีโอกาสอย่างไรบ้างมันมีโอกาสที่ทําให้เกิดสิ่งดีๆอย่างไรบ้างใช่ไหมบางทีมันเกิดขึ้นรับด้วยซ้าแต่เรามองไม่เห็นนะเช่น เ, เลือดแม้จะอย่างเช่นที่กหนกวันสินสุบอเนี่ยแม้เลือดฉันจะไม่ดีแต่ฉันยังมีตามองเห็นสิ่งสวยงามมองเห็นหูยังได้ฟังเสีงยงไพเราะไอ้พวกนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่มโนใช่ไหม คือการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยคือการมองปัจจุบันไม่ใช่มองไปที่อนาคตรองพลาจันมีวิธีสอนสมองจันพูดว่าให้กำหนดสติเนะคะเหมือนสำหรับคนที่ไม่รู้จักที่จะหาสติยังไม่เจอเลยเนี่ยเราจะเริ่มกมันดยังไงดีอ่ส ต, ค ต, สตนะิคือการรู้กายรู้ใจเบื้องต้นหรือพื้นฐานสตินั่นคือการรู้กายรู้ใจรู้ว่ากายกําลังทําอะไรอยู่เช่นตอนนี้รู้ว่ากายกําลังนั่ง แล้วก็รู้ใจเช่นถ้าใจลอยก็รู้ว่าใจกําลังลอยรู้ว่าตอนนี้กําลังกังวลถึงลูกที่บ้านกําลังกังวลถึงพ่อที่ป่วยใจไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแนละรู้ใจคือสังเกตอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ว่าตอนนี้อารมณ์เป็นยังไงมันหมองมันเศร้ามันวิตกกังวลหรือว่ามันมันหงุดหงิดนะคุณลองเนี่ยทำสองอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นก็รู้ทันว่ามันเกิดขึ้นกับใจเวลาใจลอยก็รู้ว่าใจลอยมันสังเกตเข้ามาข้างใน เวลาทำอะไรก็รู้ว่ากำลังทำอะไรนะกินข้าวใจก็อยู่การกินข้าวเวลาอาบน้ำก็รู้ตัวกําลังอาบน้าไม่ใช่ว่าอาบน้ำแต่ใจลอยไปข้างนอกมันก็ไม่รู้ตัวว่ากำลังอาบน้ำนะนะการเจริญสติคือการฝึกให้รู้กายรู้ใจรู้กายเมื่อทำกิจนะรู้ใจคิดนึกเมื่อเกิดผัสสันนี่เป็นหลักการเจริญสตินะ พูดง่าคือว่ารู้กายเคลื่อนไหรู้ใจคิดนึกนะเวลากายทำอะไรกายเคลื่อนไหวก็รู้เดินก็รู้ว่ากายรู้ว่ากําลังเดินกินก็รู้กาลังกินนอนก็รู้กำลังนอนใจกําลังลอยก็รู้ว่าใจมันลอยอันนี้คือวิธีการเจริญสติที่เป็นพื้นฐานก็คืออยู่กับปัจจุบันนั่นแหละ เออตอนที่พระอาจารย์พูดถึงว่าการมองลบเนี่ยก็มีประโยชน์ ก, กับตัวเราก็คือทําให้เรารู้จักเราแวงระวังภัยที่จะมาถึงตัวเองทีนี้ถ้าเราติดมองบวกตลอดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโทษหรืครับแล้วเราจะเลือกยังไงว่าเมื่อไหร่เราจะต้องมองลบบ้างมองบวกอย่างเดียวก็อาจจะไม่ดีอะไรเรามองลบเมื่อเราเมื่อเรามีความสุขมากแล้วเราเพลิดเพลิน ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยตอนนี้เรามีความสุขสบายเพราะว่าเราไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะว่าการงานเราไปได้ดีนะเพราะว่าครอบครัวเราราบลื่นจะต้องมองลบไปบ้างว่าไอ้กนที่มันไม่แน่ไม่นอนซักวันหนึ่งเราจะเจ็ป่วยซักวันหนึ่งครอบครัวจะมีเรื่องวิบัติมีเรื่องขัดแย้งกันสักวันหนึ่งงานการเราจะถูกกระทบนะผู้ศาสนาเนี่ยมองลบแลวมองบวกนะ เวลาเราเพลินในความสุขผู้เจ้าบอกว่าเนี่ยเอ้ยชีวิตมันไม่เที่ยงนะเว้ยนะเกิดมาแล้วต้องแก่แต้อจะต้องตายนะไอความร่ำรวยที่เรามีเนี่ยนะมันก็มีโทษนะมันทําให้เราหลงติดแล้วมันก็ไม่แน่ไม่นอนในเวลาเราเวลาเราเวลาเราเวลาเราเอ่านนิพุทรมาเนี่ยนะหรือแมาา้กระทั่งสดมนี่บทสดมนตอนเช้านี่จะบอกเลยว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ทั้งนั้นแนะความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์นี่คือการมองลบ ในยามที่คนเราเพลิดเพลินในความสุขพุทธศาสนาจะสอนให้มองลบว่าไอ้คนนี้มันไม่เที่ยงนะมันแปรปวนนะมันมีโทษนะไอ้ความสุขที่เรามีเนี่ยมันเจอไปด้วยทุกข์นะแต่ไหมนี่แหละคือการมองลบที่ที่เตือนไม่ให้เราเพลินในความสุขไม่ให้เราประมาทแต่เวลาเรามีความทุกข์นะพุทธเจ้าจะบอกว่าให้มองบวกแม้ประสบผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ยังหาสุขพบพุทธศาสนานี้ คำสองพุทธเจาจะสอนประเภทที่คอยคอยดึงคอยทวงลตลอเวลาเวลาเรามีความสุขพุทเจ้า จ, จะเตือนให้เราเห็นทุกเวลาเรามีความทุกข์พุทเจ้าจะเตือนให้เราเห็นสุขหรือเห็นข้อดีของมันนะงั้นถามเราตัวตอนนี้เราอยู่ใ น, ในสภาวะไหนถ้าตอนนี้เราอยู่ในสภาวะที่เป็นสุขต้องลองมองลบบ้างใช่ไหมตอนนี้การงานมั่นคงประสบความสำเร็จเอ้ต้องเผื่อใจนะว่ามันอาจจะไม่พรุ่งนี้จจะไม่ดีเหมือนกับวันนี้นะ วันนี้สุขคุณเนี่ยจะทุกข์ก็ได้นะนะแล้ก็ะทั้งเห็นว่าในสุขนี้มีทุกข์ไอความสุขที่เรามีเนี่ยนะสุขเพราะสุขภาพก็ดีสุขเพราะการเงินก า, การงานที่มั่นคงเพราะร่ารวยเพราะมีสถานภาพดีไอคนนี้มันเจอไปด้วยทุกข์ทั้งนั้นคือมันไม่เที่ยงมันเป็นมันมันเป็นทุกข์ในยามที่เราเป็นทุกข์ต้องมองบวกในยามที่เราเป็นสุขต้องมองลบนะ นั่นถามคุณว่าตอนนี้คุณอยู่ในสภาวะไหนถ้าคุณกำลังกังวลเรื่องงานต้องมองบวกถ้าคุณกําลังกังวลเรื่องบ้านนะเรื่องสุขภาพต้องมองบวกแต่ถ้าคุณตอนนี้กาลังมีความสุขคุณกําลังมีความเจริญรุ่งเรืองต้องมองลบบ้างตอนที่เศรษฐกิจดีเนี่ยเคยมีมีใครมีใครมองลบบ้างใช่ไหมพอเศรษฐกิจตกก็เลยแจ็คอัพใช่ไหมตอนนี้เศรษฐกิจลบที่ต้องมองบวก ใช่ไหมวิกฤตเศกขายเหลืองไม่ออกเนี่ยมีข้อดีไงบ้างเออต้องมองหายเจอผู้ศาสนานเนี่ยนะประเภทประเภทพวกจะเรียกว่าถ้ า, ถ, าถ้าเทียบถ้าผูา้ภาษาภาษาไวัยรื่นก็เป็นพวกที่เรียกทวนกระแสโลกอะ่ะนะเวลาเรามีความสูขพูะเจ้าเตือนให้เห็นทุกเวลาเรามีความทุกขเจ้าบอกให้เห็นสุขเด่น ผู้มีปัญญาแม่ประสดทุกกปยังหาสุคโคมีท่านใดถามคำถามต่อไปไหมครับขอคอยคำถามสุดท้าย น, นรบกวราสการอาจารย์ค่ะจะกล่าวเพียงถามว่าการคนเราเนี่ยถ้าเผือว่า จะมีความคิดทั้ทบวกถ้าเป็นกับตัวเองนะคะปัจจัยภายในเนี่ยมันไม่ยากเท่าไห่ถ้าเราสุดมามก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ชีวิตคนเราเนี่ยในความจริงแล้วมันมีปัจจัยภายนอกเยอะเช่นเราได้อยู่กับคนในครอบครัวอยู่ในกับเพื่อนร่วม ง, งานอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วคนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยจะดึงคือแทนที่ตัวเราเนี่ยจะคิดในแง่บวกก็จริงคอะแต่ว่าคนเหล่านี้แหะคะ่ะ ที่จะดึงเราให้เรากับเพื่อนเพราะว่าเราก็ายังไม่ได้เป็นอาหารหันนะคะยกตัวอย่างเช่นหลายครั้งที่คนเาคิดว่าเราทำดีเราไม่ได้ดีเลยเราทำแล้วเราทำให้แล้วอะไรแล้วก็ไม่เคยได้รับการขอบคุณเลยดีไม่ดีกระทบกกระแทกอีกคิดว่าหลายคนเป็นแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานญาติพี่น้องพ่อแม่อะไรต่างๆเนี่ยนะคะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ย แค่บวกมันไมพอแล้วหาคําว่าดีเนาะไม่เจอด้วยนะคะอยากกราบเพียรพาจารณาว่าตรงนี้เราจะทํำยังไงถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เราก็พยายามหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเผื่อว่าถ้าเราไปเชิญเนี่ยมันก็ไปเชิญยากนะคะถ้าคนในครอบครัวเพื่อนร่วม ง, งานเพื่อนสนิทคนใกล้ตัวอะไรต่างๆประมาณนั้นนะคะคิดว่าหลายๆคนก็คงเจอปัญหา น, นี้กราบด้สยการอ่าเป็นเพราะคุณยังมองมองบวกไม่พอก็ได้คนะ่ะ การที่คนรอบตัวเป็นอย่างนั้นเนี่ยมองให้เห็นบนบวกก็คือแบบฝึกหัดเราการที่คนข้างรอบรอบตัวเรามองลบเนี่ยมันก็เป็นแบบฝึกให้เราว่าเราจะอยู่กับคนคนเหล่านี้ได้อย่างไรนะเขาจะฝึกให้เราเนี่ยรู้จักมั่นคงและยังสามารถที่จ ะ, อ, ะอยู่กับอยู่กับคนเหล่านั้นยังมีความสุขได้อย่างไรนะการที่ถ้าคนรอบตัวเรามองบวกบนเราเนี่ย มันก็อาจจะทให้เราประมาทก็ไนดนะ้แต่ถ้าคนรอบตัวมองลบแครที่เรามองบวกมันก็ช่วยทําให้เราหนึ่งเป็นการฝึกใจเรานะให้เราอยู่กับสิ่งที่ไม่ถูกใจเราได้ 2. เป็นการช่วยถ่วงดุลให้เราเนี่ยมองอะไรรอบด้านเรามองบวกเข้ามองลบมันก็ช่วยทําให้เกิดความสมดุลกันได้เหมือนกันเพราะบางทีเรามองบวกลว้ลวนก็อาจจะไม่ดีนะนะเพ้การมีอะไรที่คอยถ่วงดุลบ้างเป็นของดี แล้วถึงจุดสุด้าเนี่ยนะปัจจัยในในทางพุทธศาสนาปัจจัยภายนอกไม่สําคัญเท่ากับปัจจัยภายในพุทธเจตรัสว่า <c oughs> มือที่เป็นแผลมือที่ไม่เป็นแผลจะต้องยาพิษอย่างไรก็ไม่เป็นอันตรายนะมือที่ไม่เป็นแผล <c oughs> นะจะต้ <ain> องยาพิษอย่างไรก็ไม่เป็นอันตรายเป็นอันตรายก็ต่อเมื่อมือมีอแผลนะ หมายความว่าถ้าจิตเราเนี่ยเป็นปกติเนี่ยข้างนอกมันจะเป็นอย่างไรอากาศจะร้อนธรรมชาติจะแปรปรวนเศรษฐกิจจะวิกฤตเราไม่ถูกแต่เมื่อจิตเราเราวาังใจไม่ถูกนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นแดดร้อนก็บนโวยวายเกิดวิกฤตเศรษฐกิจก็จิตก็ตก กังวลทำคัญ้ี่สุดคือปัจจัยภายในนะรักษาจังเราให้ดีตอนนี้เนี่ยเจ ต, ตามาพูดมาเนี่ยนะพูดถึงเรื่องมองบวกเนี่ยนะก็อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เป็นการมองไม่ใช่เป็นการมองแบบเดียวในพุทธศาสนามองลบ ก, ก็มีประโยชน์นะพุทธศาสนาเนี่็ก็เก่งในเรื่องการมองลกเหมือนกันนะจนกระทั่งคนบอกว่าพุทธศาสนาเป็นาศนาสตร์แห่งความทุกข์ มองอะไรเป็นทุกข์ไปหมดนะนะแต จ, จริงเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยนะอย่างที่ตามาบอกนะผู้เจ้ามองให้เรามองลบในอย่างที่เราเพลิดเพลินในความสุขและผู้เจ้ามองให้มอ ง, มองรามองบวกให้เรารู้จักมองบวกในอย่างที่เจอความทุกข์มออย่างนี้สําคัญคือการมองตามความเป็นจริงคือมองว่าเป็นธรรมดาสําคัญเป็นการนันเนี่ยเป็นการมองที่ที่สำคัญที่สุดในเบืศ า, าสน า, าคือการมองว่าเป็นธรรมดา ถ้าคุณหมอเป็นธรรมดาเมื่อไหร่เนี่ยไม่ว่าคุณเจออะไรก็ตามคุณก็ไม่ทุกข์นะมันมีบทสวดบ ท, บทหนึ่งนะที่เราควรจะสวดเป็นประจำพิจารณาเป็นประจำเรื่องปินฐาปจัจเจเวตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลดเิ่มความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลดมพินความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะรดเิ่มความตายไปไม่ได้ เราจะต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจยท่านั้นถ้าคุณถ้าคุณมองแล้วสึมรัพ์ในสิ่งเหล่านี้นะนเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเวลาคุณแก่คุณก็ไม่ทุกข์นะเวลาคุณจะบป่วยคุณก็ไม่ทุกข์เวลาคุณสูญเสียสิ่งรักของรักคุณก็ไม่ทุกข์แล้ทั้งเวลาคุณตายคุณก็ไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมดามีผู้ชายคนหนึ่ง แกชิดําฤกษ์นะแกเป็นช่างไฟวันนึงก็อุบัติเหตุนะไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยมันไปถูกที่ต้นขาแกต้องผ่าผ่าตัดขาทั้งสองข้างลยกานเป็นพิการตลอดชีวิตอายุยังไม่มากสามีกว่าไม่นานภรรยาก็ทิ้งไปคุณลองนึกดูนะเสียขาไปไม่ไม่ไมไมไมทันไยเนี่ยเสียเมียบปนะเหมือนข้อซ้ำกรรมสัด จะรู้สึกอย่างไรแต่ว่าดําลีแกไม่ได้คิดแบบนั้นเขื่อนมีคนถามว่าคุณรู้สึกอย่างไรนะที่สาที่ภรรยาทิ้งคุณไปดําลีก็ตอบว่าผมไม่รู้สึกอะไรเลยคุณคิดดูซิแม้ทังขางสองข่าเนี่ยมันยังไม่อยู่กับผมเลยแล้วใจเมียอยู่กับผมได้อย่างไรถ้าว่า การที่แกเสียขาสองข้ามันทำให้แกได้เห็นสัจธรรมความจริงว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยแม้กระทั่งขาที่มันอยู่กับเรามาตั้งแต่แรกตั้งแต่เติดเนี่ยสวรรค์ก็ต้องไปการสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดาเพราะไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยเพอแกเห็นความจริงตรงนี้นะความมีอทิ้งไปแกก็ไม่ทุกข์ละพอรู้ว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเราเลย อันนี้คือความจริงหรือความเป็นธรรมดาอย่างนึงนะก็คือว่าสิ่งที่ไม่เป็นของเราไม่มีอะไรจะเป็นของเราเลยและสิ่งเหล่านี้ก็สวรรคก็ต้องจากเราไปการมองเห็นว่าทุกิการมองเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราเป็นธรรมดาเนี่ยนะมันเป็นวิธีการมองที่สําคัญนะนอกจากการมองบวกแต่ว่าถ้ายังมองไม่อย่างนั้นไม่ได้เนื่องมองบวกไว้ก่อนมันจะช่วยทําให้เราอยู่กับความสูญเสียคร่าเหลือกับความความความไม่สมหวังได้เพราะเราเห็นข้อดีของมัน ก็เวลามาตามสมควนะฮะก็คิ ด, ดว่าความคิดบวกบางประการน่าจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นจากเดิมนะคะจากที่โยมโดนนะคะอาจารย์ตอนตอน้นชั่วโมงบอกว่าเศรษฐ ก, กิจไม่ดีรู้สึกท้อลมานแต่วันนี้รู้สึกมีกําลังใจว่าไอ้ที่ว่าไม่ดีเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรมาวัดจริงๆเราก็มีดีหมดเลยตั้งเยอะก็เลยรู้สึกมีความสุขขึ้นมาแล้วก็มีความรู้สึกว่า ความทุกข์เนี่ยมันทําให้เราคิดมากนะฮะแต่จริงๆความทุกข์ไม่ได้ทําให้เราคิดมากะค่ะแต่เราคิดมากจนความทุกข์มันมาเองก็เลยคิดว่าคือเวลาที่ฟังทําไปทุกครั้งก็จะพยายามคิดตามนะฮะแล้วว่าโดนใจเราเรื่องอะไรแล้วเราก็คิดว่าจะเอาไปใช้อย่างไรนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งพนักงานนะครแล้วก็เพื่อนธุนรจิตด้วยกันหลายคน กลับไปคงไม่บนแล้วนะฮะว่าตลาดเนี่ย ม, มันเงียบบ้างก็ดีม้างกันจะได้ฟังธรรมแล้วก็ได้พักผ่อนดีไม่ดีได้พาลูกไปไว่ายน้ําบ้างพาลูกไปเที่ยวบ้างพ่อลูกไม่ค่อยเจอหน้าพ่อก็ื่องจากว่าจะขายอะไรกันอยู่นะแล้วก็ขายไปดีก็ทิ้มยังไม่ได้เก็บขวาดกดาังสักทีนะก ด, ดังไม่ได้ทาสีนานแล้วอาจจะได้ทาสีใหม่ก็รอบนี้แหละเพราะว่าต้องหางานให้ลูกน้องทํานะคะับก็คิดเป็นบวกแล้วก็คิดว่าน่าจะ ความสุขก็อยู่ข้างหน้าเรานี่เองนะคะไม่ได้อยู่ไกลนะคะถ้ามีโอกาสในภายภาคหน้านะคะก็จะพยายามทำจัดอย่างนี้อีกนะคะก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์มากๆในการที่เมตตาท่านเลยนะคะเพราะเมื่อคืนเพิ่งกลับจากปูฐานไปปูฐานเก้าวันก็ไม่ได้พักเลย